เสียงอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมให้ถูกทางสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่26เนื้อหาภายในประกอบด้วยสามหมวดหลักคือ 1. ความเข้าใจพื้นฐาน 2. การเริ่มต้นความก้าวหน้าในการปฏิบัติและ 3. เนื้อตัวของการปฏิบัติจัดทำโดยเจ้าภาพหลักณชนนิภาปิติเจริญคุณ ร่วมจัดทาโดยคุณแม่บุญแตงเอกจีนอริยะพันธสิทธิยานาสุวิศสักดานนทวิชยาดามุงวิชาพนอมรักษเพชรเถียนเก็มทองโภคาพานิษธนรมคงพิริยาพุทธและอีกหลายท่านใงรายชื่อท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเสมือนได้ทำด้วยตนเองการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงตอนที่หนึ่ง ความเข้าใจพื้นฐานคำว่าการปฏิบัติธรรมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีความหมายค่อนข้างจะถูกจำกัดคับแคบลงมากและบางครั้งก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่สู้จะตรงกับความจริงหรือแม้ว่าจะตรงก็ไม่เท่ากับความจริงไม่พอดีกับความจริงอย่างที่บอกตอนต้นว่าออกจะคับแคบไป เราเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างไรเวลานี้เมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมหลายท่านจะนึกถึงการไปนั่งทำสมาธิการปลีกตัวออกไปจากสังคมไปอยู่ในที่สงบเงียบแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตใจฝึกทำกรรมฐานอย่างที่เรียกว่าจิตตะภาวนาคำว่าปฏิบัติธรรมที่เราใช้ในปัจจุบันมักจะใช้ในความหมายแคบๆอย่างนี้ ก็จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะมาพูดกันทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นเพื่อให้มีความแจ่มชัดเกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำปฏิบัติธรรมคืออย่างไรคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะมาปฏิบัติเอาธรรมะมาใช้เอามาใช้ดำเนินชีวิตทำการทำงาน คือเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนั่นเองเมื่อปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตจริงหรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตถ้ายังไม่ได้ใช้ก็มีเรียกว่าเป็นการปฏิบัติว่าถึงตัวคำว่าปฏิบัติเองนี้เดิมนั้นแปลว่าเดินทางมาจากภาษาบาลี ของเดิมนี้มีคำคล้ายกันอีกคำหนึ่งคือปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าอะไรจะเห็นได้ในคำว่ามัชิมาปฏิปทาที่เราแปลกันว่าทางสายกลางมัชิมาแปลว่าสายกลางและปฏิปทาแปลว่าทางทางคืออะไรทางนั้นคือที่ที่จะเดินคำว่าปฏิปทา ก็คือที่ที่จะเดินคําว่าปฏิปทากับคําว่าปฏิบัตินี้เป็นคําเดียวกันรากศัพท์อันเดียวกันถ้าเป็นกิริยามีรูปเป็นปฏิปัชติเช่นในคําว่ามักคังปฏิปัชติแปลว่าเดินทางเพราะฉะนั้นปฏิปัติติมาเป็นปฏิบตัติหรือเป็นปฏิปทาก็ตาม ก็แปลว่าการเดินทางหรือแปลว่าทางที่เดินถ้าเป็นการเดินทางก็นิยมใช้ในรูปว่าปฏิปติหรือไทยใช้ว่าปฏิบัติถ้าเป็นทางที่เดินก็นิยมใช้ปฏิปทาเพราะฉะนั้นเราเอาถ้อยคำสำหรับสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั่นเองมาประยุกใช้ในทางนางมธรรม การเดินทางตามปกตินั้นเป็นการเดินทางภายนอกเป็นการเดินทางด้านวัตถุเอาเท้าเดินหรือแม้มีรถแล้วเอารถวิ่งไปตลอดจนไปด้วยเครื่องบินก็เรียกว่าเป็นการเดินทางที่นี้ชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตก็เป็นการเดินทางชนิดหนึ่งแต่เรามักเปลี่ยนคำพูดจากเดินมาเป็นดำเนินที่จริงเดินกับดาเนินนั้น ก็สับเดียวกันนั่นแหละเดินก็แผลงมาเป็นดำเนินแล้วเราก็มีการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตนั้นก็เหมือนกับว่าเราเอาชีวิตนี้ไปเดินทางหรือว่าการเป็นอยู่ของเรานั้นเปรียบเสมือนทางถ้าเป็นอยู่อย่างถูกต้องก็เรียกว่าเดินทางชีวิตอย่างถูกต้องคือดำเนินชีวิตได้ดีถ้าเดินทางชีวิตไม่ถูกต้องก็เรียกว่าดาเนินชีวิตที่ผิด ในเมื่อปฏิปทาหรือปฏิบัินี้แปลว่าการเดินทางและทางที่เดินเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะมาใช้ในการเดินทางชีวิตหรือเอามาช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิตเพื่อให้การดาเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดีหมายความว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้การเดินทางชีวิตของเราก็อาจจะผิด อาจจะเขวอาจจะพลาดอาจจะหลงอาจจะไปในทางที่เกิดความเสื่อมความพินาศแทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญเราก็เลยเอาธรรมะมาช่วยเอาธรรมะมาปฏิบัติก็คือเอาธรรมะมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้ถูกต้องเกิดประโยชน์ขึ้นพูดง่ายๆจึงว่าการปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมะมาใช้นั่นเองใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็จึงเป็นเรื่องกว้างๆไม่เฉพาะการที่จะเปลีกตัวออกจากสังคมไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่ป่าแล้วก็ไปนั่งบาเพ็ญสมาธิอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นการพยายามนำธรรมะมาใช้ในขั้นลึกในการที่จะฝึกฝนจิตใจอย่างจริงๆจังๆถ้าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้น ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบ i ิน e n s ซ v e เป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นหรือลงลึกเฉพาะเรื่องที่จริงนั้นการปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลาเรานั่งกันอยู่ในที่นี้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมะมาใช้เมื่อปฏิบัติสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นยังถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติธรรม เมื่อทำงานหรือทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตั้งใจทำให้ดีให้เกิดคุณประโยชน์ให้สำเร็จความมุ่งหมายที่ดีงามก็เป็นการปฏิบัติธรรมดังนั้นถ้าตนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนเราศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนเล่าเรียนให้ได้ผลก็เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเล่าเรียนโดยมีอิทธิบาทสมีชันทะ พอใจรักในการเรียนนั้นมีวิริยะมีความเพียรใจสู้มีจิตตะเอาใจใสรับผิดชอบมีวิมังสาคอยตรายตรองตรวจสอบทดสอบทดลองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือในการทำงานก็เหมือนกันเมื่อมีอิทธิบาทสเอาอิทธิบาทสีมาใช้ในการทำงานนั้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแม้แต่ออกไปในท้องถนนไปขับรถถ้าขับโดยรักษากฎจราจรขับเรียบร้อยดีไม่ประมาทมีความสุภาพหรือลึกเข้าไปแม้กระทั่งว่าทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมีความผ่องใสสบายใจในเวลาที่ขับรถนั้นได้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมะมาใช้ในการดาเนินชีวิต หรือในการทำกิจหน้าที่นั้นๆให้ได้ผลแค่ไหนเพียงไรก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้องแม้แต่การนั่งฟังปฐกถาเนี่ยก็มีการปฏิบัติธรรมในมงคล38ก็มีข้อปฏิบัติที่ว่า กาเลนะธรรมสวัณังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันอุดมนี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งเมื่อตั้งใจฟังฟังเป็นใช้ความคิดพิจารณาไตรตรองสิ่งที่รับฟังนั้นทําให้เกิดปัญญาขึ้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเป็นอันว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องที่กว้างมากหมายถึง การนำเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตหรือการทำกิจทำงานทำหน้าที่ให้ถูกต้องทำทุกเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้องให้ดีให้เกิดผลเป็นประโยชน์นั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรมแต่เราเอาคำว่าปฏิบัติธรรมมาใช้ในความหมายแคบๆเฉพาะการปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นจะฝึกฝนกันอย่างจริงจังในทางจิตใจและสงวนคำว่าปฏิบัติธรรมไว้ใช้ในความหมายนั้น หรือนิยมใช้กันในความหมายนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมด้านนั้นด้านนี้การที่เราปลีกตัวไปทำกรรมฐานไปบำเพ็ญสมาธิก็คงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้านจิตตภาวนาอย่างนี้ได้คือเรียกให้เต็มแต่ถ้าจะพูดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจกันเองโดยใช้คำนั้นต่อไปก็ต้องใช้อย่างรู้กัน คือใช้ในความหมายที่ถือว่าเข้าใจกันอยู่แล้วหรือละไว้ในฐานเข้าใจนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจกันการศึกษากับการปฏิบัติไม่ใช่คนละอย่างต่อไปประการที่สองธรรมะนั้น เมื่อเราเอามาใช้เอามาลงมือทำก็จะมาเข้าคู่กับธรรมะที่ยังไม่ได้เอามาใช้ยังไม่ได้เอามาทำตอนที่ยังไม่เอามาใช้ไม่เอามาทำธรรมะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาธรรมะที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ลงมือทำยังเป็นเพียงสิ่งที่รับฟังมาเล่าเรียนมาเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งตอนที่เอามาใช้เอามาทาเรียกว่าปฏิบัต ตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำเป็นเพียงเล่าเรียนจะเรียกว่าอะไรหลายท่านคงจะบอกว่าการปฏิบัตินี้คู่กับการศึกษาเมื่อเอามาใช้เอามาทำเป็นการปฏิบัติยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทำก็เป็นเพียงการศึกษาอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วคำว่าการศึกษานี้ในเมืองไทยนำมาใช้เป็นคำคู่กับการปฏิบัติ ศึกษาหมายความว่าเล่าเรียนยังไม่ได้ทําเข้าใจกันว่าถ้าศึกษาก็คือยังไม่ได้ทําเพียงเล่าเรียนมาเมื่อปฏิบัติก็คือเอาสิ่งที่ศึกษานั้นมาลงมือทําความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องอีกคําว่าศึกษานั้นเดิมไม่ได้คู่กับการปฏิบัติอันนี้จะต้องแยกจากความหมายที่แท้จริง ความหมายที่เข้าใจกันในสังคมไทยปัจจุบันที่ให้คำว่าศึกษาคู่กับคำว่าปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องของภาษาไทยที่กลายหรือเพี้ยนไปเท่านั้นคำที่คู่กับปฏิบัติเป็นเพียงความรู้ที่เราเรียนรับฟังมานั้นมีศัพท์เฉพาะของมันอยู่แล้วเรียกว่าปริยัติคาที่คู่กับปฏิบัติก็คือปริยัติปริยัต คือเล่าเรียนมาแล้วปฏิบัติก็เอามาลงมือทาแต่ทำไมการศึกษาจึงกลายความหมายมาเป็นการเล่าเรียนการศึกษาเดิมนั้นมีความหมายกว้างตั้งแต่เรียนรู้ไปจนกระทั่งฝึกหัดลงมือปฏิบัติปฏิบัตินี้ในแง่หนึ่งก็คือฝึกหัดเพื่อทำให้เป็นและทั้งหมดตลอดกระบวนการนั้นเราเรียกว่าการศึกษา อาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยหลังๆนี้การศึกษาได้เน้นในด้านการเล่าเรียนหนังสืออ่านตำราหรือคมภีมากไปความหมายของการศึกษาก็เลยแคบลงเหลือเป็นเพียงเล่าเรียนตำราไปพอเหลือเพียงเล่าเรียนตำราก็ไปได้แค่ปริยัติแต่ที่จริงคำว่าศึกษานั้นมีความหมายเท่ากับปริยัตและปฏิบัติรวมกันเรื่องความหมายของการศึกษาเนี่ย อาตมาเคยพูดที่นี่ครั้งหนึ่งยืดยาวแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ขอพูดซ้ำคราวนั้นได้ยกบาลีมาอ้างด้วยซ้ำให้เห็นว่าคำว่าศึกษานั้นที่จริงมีความหมายคลุมตั้งแต่ป ร, ริยัตมาจนถึงปฏิบัติอย่างไรคือรวมทั้งเล่าเรียนให้รู้แล้วก็มาฝึกทำให้เป็นตลอดกระบวนการนี้เรียกว่าศึกษาแม้แต่ในสมัยรัชกาลที่ห้า ตอนที่เริ่มมีการศึกษาแผนปัจจุบันกันใหม่ๆก็ปรากฏว่าได้มีการหลงเพี้ยนในความหมายของการศึกษาจนกระทั่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าหลงพระยาวชิรญาณวโรรสต้องทรงเขียนชี้แจงว่าการศึกษานั้นไม่ใช่หมายถึงการเล่าเรียนตำราเท่านั้นแต่หมายถึงการสำเนียกทำให้เป็นอาชีพนั้นๆในเรื่องนั้นๆ แม้แต่เด็กอยู่กับบ้านเรียนรู้แล้วก็หัดทำงานทำไร้ไถนาก็เรียกว่าการศึกษาทั้งสิน้นทรงเขียนอธิบายไว้ในทํานองนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจกันว่าคำว่าการศึกษานั้นที่จริงไม่ได้คู่กับคำว่าปฏิบัติแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ลงตัวแล้วก็เลยกลายเป็นจำเป็นต้องใช้แบบยอมยอมตามกันไปแต่สาหรับ ผู้ที่ได้รับทราบแล้วก็ควรทำความเข้าใจและใช้อย่างรู้ทันคือรู้ว่าใช้ไปกันอย่างนั้นเองตามนิยมแต่ความหมายที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความหมายที่แท้จริงนั้นปฏิบัติคู่กับปริยัติถ้าเป็นเพียงความรู้จากการเล่าเรียนท่องจำอ่านตำราเป็นธรรมะที่ฟังเข้ามาอย่างนั้นก็เป็นขั้นปริยัติ ถ้าเป็นการเอามาลงมือฝึกหัด ร, รมก็เป็นขั้นปฏิบัติทั้งปริยัตและปฏิบัติสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าการศึกษานี่เป็นเรื่องที่สองที่อยากจะพูดในที่นี้เมื่อมีปริยัติคู่กับการปฏิบัติรวมเข้าเป็นการศึกษาแล้วการเล่าเรียนก็โยงต่อมาถึงการลงมือทรรม ที่นี้เมื่อลงมือทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาเป็นผลจากการศึกษา <S <S ผลจากการศึกษาที่ถึงขั้นปฏิบัติแล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิเวทเราต้องแยกว่าการศึกษามีสองขั้นคือการศึกษาในขั้นปริยัติกับการศึกษาขั้นปฏิบัติเมื่อผ่านการศึกษาขั้นปริยัติมาแล้วก็ต่อด้วยการศึกษาขั้นปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วก็จะส่งผลเป็นปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นอันดับที่สคือเป็นผลจากการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นในทางพระศาสนาท่านจึงมีคำใช้สมคำเรียงลำดับ ก, กันว่าปริยัตยิปฏิบัติและปฏิเวทถ้าใช้สองก็เหลือศึกษาและปฏิเวทในพระไตรปิฎก บางแห่งท่านใช้ศึกษาคู่กับปฏิเวทไปเลยเพราะศึกษานับรวมทั้งปริยัตและปฏิบัติไปแล้วจึงก้าวไปถึงปฏิเวทได้เลยในการใช้คำว่าการศึกษาในปัจจุบันถ้าจะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงจะต้องให้คำว่าการศึกษานี้คลุมไปถึงการฝึกหัดการลงมือทาหรือการปฏิบัติ ด, ด้วย เป็นอนว่าตอนนี้เราได้มาถึงความหมายของศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันสามคำคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติเป็นขั้นเล่าเรียนรับฟังผู้อื่นมาโดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ซึ่งสืบต่อกันมาในพระไตรปิฎกแล้วเรามีครูอาจารย์แนะนำบอกกล่าวเอามาท่องมาบนมาสอบสวนทบทวนกันทั้งหมดนี้เรียกว่าปริยัติ เมื่อเอาสิ่งที่ได้เล่าเรียนนั้นมาลงมือทาก็เป็นปฏิบัติการปฏิบัติก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าขยายสำหรับขรืหัดนิยมใช้คำว่าทานศีลภาวนา ตัวแท้ของการปฏิบัติอยู่ที่ไหนเริ่มด้วยชุดแรกก่อนที่เรียกว่าปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาคําว่าปฏิบัติจะต้องมีความหมายครบศีลสมาธิปัญญาแต่ปัจจุบันนี้เรามักจะใช้คําว่าปฏิบัติโดยเน้นไปที่สมาธิกันมากศีล ส, สมาธิปัญญานี้เราจะเห็นว่าเรียงจากข้างนอกไปหาข้างใน ศีลอยู่ที่ตัวของเราที่มองเห็นคือตัวของเราที่แสดงออกมาภายนอกทางกายทางวาจาถ้ากระทาทางกายก็เป็นกายกรรมถ้าเป็นด้านวาจาคือคำพูดก็เป็นวจีกรรมแม้ว่าทั้งหมดนั้นจะออกมาจากใจคือเจตนาแต่การกำหนดศีล น, นั้นกำหนดที่พฤติกรรมซึ่งแสดงออกมาทางกายและวาจาอยู่ที่ตัวเราที่ต่อกับภายนอก ข้อต่อไปคือสมาธิลึกเข้าไปข้างในมองไม่เห็นไม่อยู่ที่ตัวข้างนอกไม่มองเห็นที่กายวาจาแต่อยู่ที่จิตใจแล้วสุดท้ายก็ปัญญาเป็นขั้นที่อาศัยจิตนั่นแหละทำงานเมื่อใช้จิตนั้นทำงานให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจสิ่งทั้งหลายก็เกิดปัญญาขึ้นเป็นส่วนที่มาเสริมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของจิตใจ แล้วจิตใจที่มีความรู้มีปัญญาออก็เอาความรู้นั้นมาใช้ปรับปรุงชีวิตด้านกายวาจาอีกต่อหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติชุดที่สองที่เน้นสำหรับคฤหัสถ์ได้แก่ทานศีลภาวนาชุดทานศีลภาวนานี้จะเห็นว่าเด้นส่วนภายนอกมากขึ้นเริ่มจากทานทานนี้ไปจับที่ของนอกตัวเลย ศีลยังอยู่ที่ตัวแต่ทานเนี่ยออกไปที่ของนอกตัวเป็นการเอาสิ่งของไปให้แก่ผู้อื่นการเอเื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่กันพอถึงศีลก็มาอยู่ที่ตัวจากของนอกตัวแล้วมาอยู่ที่ตัวเสร็จแล้วถึงภาวนาก็เข้าไปในตัวภาวนาที่เข้าไปในตัวก็ไปแยกเป็นสองส่วนคือด้านจิตที่เป็นสมาธิ กับด้านปัญญาได้แก่สมาธิและปัญญามารวมเข้าด้วยกันเป็นภาวนาคำว่าภาวนานั้นหมายถึงทั้งภาวนาที่เป็นการฝึกอบรมด้านจิตซึ่งเรียกว่าจิตตะภาวนาและภาวนาที่เป็นการฝึกอบรมด้านปัญญาที่เรียกว่าปัญญาภาวนาภาวนาจึงแบ่งเป็นสองคือจิตตะภาวนากับปัญญาภาวนา พูดง่ายๆก็คือเป็นสมาธิและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสองชุดคือทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้ที่จริงก็เรื่องเดียวกันแต่ชุดหนึ่งเน้นด้านภายนอกเน้นด้านหยาบจัดเป็นทานศีลและภาวนาโดยขยายด้านนอกเป็นสองอย่างคือทานกับศีลเอาข้างในสองอย่าง คือสมาธิและปัญญาไปยุบเป็นภาวนาอย่างเดียวส่วนชุดศีลสมาธิปัญญานั้นเอาด้านในคือภาวนาไปแยกละเอียดเป็นจิตใจคือสมาธิกับปัญญาแต่ด้านนอกคือทานกับศีล น, นั้นรวมเป็นอันเดียวเพราะว่าศีล น, นั้นหลักการก็คืออยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคม ส่วนทานก็เป็นองค์ประกอบในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคมก็เลยมารวมอยู่ในคำว่าศีลเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ฟังคำว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้ก็ให้ทราบว่าที่จริงเป็นระบบอันเดียวกันแต่เราแยกเพื่อให้เห็นจุดเน้นที่ต่างกันสำหรับข้ารืหัดจะเน้นด้านนอกจัดเป็นทานศีลภาวนา แต่สำหรับพระสงฆ์จะเน้นด้านในวางหลักเป็นศีลสมาธิปัญญาอันหนึ่งชื่อเรียกที่คล้ายๆกับชุดศีลสมาธิปัญญาทุกท่านรู้จักกันดีแล้วว่าไตรสิกขาไตรแปลว่าสามสิกขาคือการศึกษารวมเป็นไตรสิกขาแล้วว่าการศึกษาสามอย่าง ส่วนชุดทานศีลภาวนาเรียกชื่อต่างไปนิดหนึ่งว่าปุญญสิกขาหรือบุญสิกขาก็คือการฝึกฝนในเรื่องความดีหรือการฝึกหัดทำความดีนั่นเองปุญยะคือความดีสิกขาคือการฝึกอบรมคือการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดี การทำให้คนเจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆด้วยทานศีลภาวนารวมแล้วทั้งสองชุดก็เป็นอันเดียวกันต่างกันที่จุดเน้นดังกล่าวจากที่พูดมานี้จะเห็นได้ทันทีว่าในเรื่องการศึกษานั้นสาระสำคัญของมันมาปรากฏเด่นที่การปฏิบัติเพราะว่าการศึกษานั้นคือสิกขาซึ่งหมายถึงปลายสิกขา ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานั้นและสิกขาหรือการศึกษาสามอย่างนั่นแหละที่ท่านบอกว่าเป็นการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้การศึกษาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวการปฏิบัติคืออยู่ที่ทานศีลภาวนาอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของการกระทำทั้งนั้นฉะนั้นการศึกษาต้องเน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่ความหมายที่ว่าเพียงมาเล่าเรียนตำรับตำรานี่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามเมื่อรู้เท่าทันแล้วต่อไปเราสามารถใช้ศัพท์ตามที่นิยมกันได้ถึงแม้จะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมโดยรู้ตามเขาว่าจะไปทำสมาธิก็เอาแต่เรารู้ว่าที่จริงนั้นความหมายมันกว้างหมายถึงเอาธรรมะมาใช้ในการดาเนินชีวิตทั้งหมด ในการกระทาทุกอย่างหรือเมื่อพูดว่าศึกษาและปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าที่จริงศึกษานั้นคลุมปฏิบัติอยู่แล้วปฏิบัติโดยไม่มีปริยัตจริงหรือขอก้าต่อไปในการทำความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจให้เข้ากันดีก่อนมีผู้ถกเถียงกันว่าไปปฏิบัติเลยโดยไม่มีปริยัตก็ได้เข้าป่าไปอยู่กับอาจารย์หรือไปอยู่คนเดียวไปถึงก็ลงมือบำเพ็ญสมาธิเลยไม่ต้องมีปริยัตนอกจากนั้นก็ยังมีการติเตียนว่าถ้าปริยัตอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติก็ไม่ทําให้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะเมื่อไม่มีการปฏิบัติ ก็ไม่เกิดผลคือปฏิเวทนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรทําความเข้าใจแต่ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเล็กน้อยอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่าปริยัติคือการเล่าเรียนสดับฟังจากผู้อื่นแม้แต่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ได้รับฟังมาจากผู้อื่น คือรับฟังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไวนี้คืออะไรก็คือประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของพระองค์ใช่หรือไม่คือพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ได้รับผลพระองค์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติและได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นมาเองแล้ว พระองค์ทรงนำประสบการณ์นั่นแหละมาจัดเรียบเรียงขึ้นและนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติของพระองค์นี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริยัตเพราะฉะนั้นปริยัตที่แท้จริงจึงเกิดจากปฏิบัติและปฏิเวทถ้าหากว่าปฏิบัติและปฏิเวทไม่ถูกเราก็จะได้ปริยัตที่ผิดอันนี้เป็นของแน่นอน การที่เรายอมรับปริยัตนินี้ก็เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่เราไว้ใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกได้รับผลจริงแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่พระองค์นํามาเล่าซึ่งมาเป็นปริยัติสําหรับเรานี้เราจึงเชื่อถือนี่เป็นขั้นที่หนึ่งคือปริยัติไม่ได้มาจากไหนก็มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ปริยัตก็จะมาเป็นเครื่องช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปเพราะเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกับคนที่เดินทางมาแล้วเขาเดินทางไปจนกระทั่งสําเร็จบรรลุความมุ่งหมายแล้วเราจะเดินทางบ้างเราไม่รู้เหนือรู้ใต้จะเจออะไรที่ไหนมีสิ่งใดเป็นที่สังเกตบ้างไม่รู้ทางไปเลยเราจะเป็นอย่างไร ปฏิบัติเนี่ยบอกแล้วว่าคือเดินทางเราเดินทางเองไม่ถูกเราไม่แน่ใจตนเองเราก็เลยขอความรู้จากท่านที่เคยมีประสบการณ์ได้เดินทางมาก่อนเราก็จึงมาเรียนปริยัตเหตุผลที่เราเรียนปริยัตก็ เ, เพื่อให้ปริยัดนั่นแหละมาช่วยคือเอาประสบการณ์ของท่านที่เคยผ่านมาแล้วมาช่วยให้เราเดินได้สะดวกขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่อาศัยปริัต จะเป็นอย่างไรเราก็สุ่ม 4, สี่สุมห้าเริ่มต้นใหม่ลองผิดลองถูกก็สามารถทำได้ปฏิบัตินั้นท่านไม่ได้ห้ามใครจะปฏิบัติก็ได้จะตั้งตัวเป็นศาสดาหใหม่เสียเองใครจะไปห้ามได้แต่ท่านไม่เคยเดินทางนี้ก็รับรองไม่ได้นะท่านอาจจะไปตกหลุมตกบ่ออาจจะหล่นเหวไปเสียก่อนระหว่างทางหรืออาจจะไปทางผิด เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนอกลูก่นอกทางไปก็ได้เพราะในระหว่างทางเนี่ยมีเลี้ยวมีแยกเยอะแยะไปหมดและในทางปฏิบัติก็เป็นความจริงอย่างนั้นในการปฏิบัติตามหลักการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายนั้นระหว่างทางมีทางรกทางเลี้ยวทางหลุมทางบ่อทางแยกมากมายถ้าเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะไปผิดทางหรือประสบอันตราย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของเราแต่เรามานึกว่าถ้าเราได้ประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านมาแล้วเอามาใช้ประโยชน์มันจะช่วยเราเราก็เลยเรียนปริยัติทีนี้ถ้าเราไม่เอาปริยัติเลยเราก็เสี่ยงต่อการที่จะปฏิบัติเดินทางผิดพลาดปริยัตินี้ท่านเปรียบเหมือนเข็มทิศบ้างเหมือนกับแสงไฟส่องทางบ้างเข็มทิศ ทำให้เรารู้ทิศทางไปถูกแสงไฟสองทางหรือไฟฉายก็ทำให้เราเห็นทางที่จะเดินไม่ใช่เดินไปในความมืดแล้วก็คลาหาลองผิดลองถูกไปอีกอย่างหนึ่งปริยัตเหมือนกับแผนที่และเหมือนกับความรู้ในภูมิศาสตร์หรือหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวความรู้ทางภูมิศาสตร์หรือหนังสือแนะนำการเดินทาง ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเดินไปทางนี้ไปไหนแล้วในระหว่างทางที่ถูกต้องจะพบปะอะไรบ้างผ่านอะไรมีอะไรเป็นที่สังเกตยิ่งกว่านั้นบางทียังได้รู้ว่าควรจะพักได้ที่ไหนบ้างมีอะไรที่ควรระวงังมีอะไรที่จะได้พบเห็นเป็นความรู้พิเศษทำให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้องทุกอย่างแผนที่และหนังสือภูมิศาสตร์นั้น ก็เกิดจากคนที่เข้าได้สำรวจที่สำรวจทางมาก่อนแล้วทำไว้ถ้าแผนที่หรือหนังสือภูมิศาสตร์ทำไว้ผิดก็เป็นปัญหาซ้อนเข้ามาซึ่งก็ต้องว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่รวมความแล้วถ้าไม่มีปริยัติเลยก็เสี่ยงต่อการที่จะเดินทางผิดและเกิดอันตรายอย่างที่กล่าวมาแล้วบางทีเราไม่ได้เรียนปริยัติโดยตรงจากพระพุทธเจ้า เราก็เรียนผ่านอาจารย์บางทีอาจารย์ไม่ได้ให้เราเรียนตำราหรือคำพีทั้งหมดอาจารย์สอนเรานิดๆหน่อยๆบางทีเราไปหาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยท่านบอกเลยว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นบอกว่าให้กําหนดลมหายใจอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือปริยัติเพียงแต่พบกับอาจารย์แล้วท่านบอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือปริยัตแล้วหลายท่านไม่เข้าใจ นึกว่าตัวเองไม่ได้ผ่านปริยัตที่จริงผ่านโดยไม่รู้ตัวอาจารย์มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการใช้ความสามารถคัดเลือกปริยัตให้เหมาะกับตัวผู้ปฏิบัติแทนที่เราจะต้องไปค้นปริยัตเรียนปริยัตมากมายหรือเรียนพระไตรปิฎกทั้ง45เล่ม2อ0หม่สองพันกว่าหน้าอาจารย์ท่านมีความชนานาญท่านได้เคยใช้ปริยัตในการปฏิบัติ มีประสบการณ์ของตนเองแล้วท่านก็รู้ว่าอันไหนจำเป็นจะต้องใช้เมื่อไรท่านก็คัดเลือกปริยัตนั้นมาให้เราตอนนี้เธอจะเริ่มแรกเอาตรงนี้เท่านี้พอแล้วท่านก็ให้ปริยัตมาแค่นี้คือท่านคัดเลือกปริยัตให้เราลัดเวลาให้เราประหยัดเวลาให้เราเสร็จแล้วพอเราก้าวไปอีกสักนิดอาจารย์ก็มาตรวจสอบว่า เราปฏิบัติไปได้แค่ไหนแล้วท่านก็ให้ปริยัติต่อกล่าวคือคําแนะนำที่ว่าต่อไปให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหรือบอกให้รู้ว่าประสบการณ์ที่ได้มาตอนนี้ผิดพลาดให้แก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือปริยัติทั้งสิน้นในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านใช้คําว่าปริยัตในความหมายเฉพาะท่านจากัดความไว้ทีเดียวว่า ปริยัติหมายถึงพุทธพจน์หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงเล่าเรียนเราเป็นชาวพุทธก็คือเป็นคนที่เชื่อถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วไม่มีพระชนชีพอยู่เราจึงรู้จักพระพุทธเจ้าไดจากคาสอนของพระองค์ที่เรียกว่าปริยัตินี้ ปริยัตจึงเป็นสื่อเชื่อมโยงเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทำให้เรารู้จักพระองค์แลรู้ว่าพระองค์สอนไว้ว่าอย่างไรถ้าจะพูดให้ตรงทีเดียวผู้ที่กล่าวว่าปฏิบัติได้โดยไม่มีปริยัตก็เท่ากับพูดว่าตนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกับพูดว่าตนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าเลยนั่นเองถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็ย่อมจะกล่าวกับผู้นั้นได้ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแต่เขาปฏิบัติอะไรอะไรที่เป็นเรื่องความคิดความเห็นของตัวเขาเองหรือของอาจารย์ท่านนั้นๆโดยเฉพาะซึ่งก็อาจจะเก่งมาก เช่นอย่างโยคียหรือฤาษีชีไพรตั้งแต่ก่อนพุทธกาลที่ได้ถึงฌานสมาบัติหรือแม้กระทั่งจบโลกิยะอภิญญาขั้นสูงสุดแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนารวมความว่าปัญหาเกี่ยวกับปริยัตินั้นไม่ใช่ถามว่าปริยัตต้องมีหรือไม่แต่ควรถามว่าปริยัตจะเอาแค่ไหนและจะรับเอามาอย่างไร ปริยัตจะเอาแค่ไหนและอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัตเนี่ยหาไม่ได้นอกจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธศาสนาคือจะตั้งศาสนาใหม่ของตนเองทุกคนมีปริยัตแต่อาจจะเป็นปริยัตในรูปที่เป็นวัตถุดิบหรือข้อมูลดิบเกินไปหรือเรียนปริยัตแบบอาจารย์ช่วยคัดเลือกมาให และปริยัติที่ได้ผลดีนั้นก็อยู่ที่เหมาะกับตัวเราพระพุทธเจ้าทรงให้ปริยัติไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนเราโดยตรงเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรงเรามาพบอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้วก็มาช่วยคัดเลือกปริยัติให้เราอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้ชัดเจนและทุนเวลา ข้อสำคัญที่ควรพิจารณาก็คือปริยัตินั้นเป็นปริยัติของพระพุทธเจ้าหรือเป็นปริยัติของตัวอาจารย์เองสิ่งที่เราต้องการแท้ๆก็คือให้เป็นปริยัติของพระพุทธเจ้าแต่พระอาจารย์ช่วยคัดเลือกมาให้ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์และมีความชำนาญยิ่งเป็นปริยัติของพระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ท่านได้เอาไปปฏิบัต เห็นผลมาเองแล้วก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมีประโยชน์มากในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงเน้นว่าคนที่จะเริ่มปฏิบัติควรหาอาจารย์ถึงกับเรียกว่าเป็นการยานมิตรก็เพราะเหตุนี้พระอาจารย์จะช่วยเลือกเฟ้นปริยัติให้เราให้เหมาะตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติสาหรับจุดหรือขั้นตอนนั้นๆ เช่นว่าตอนนี้จะตั้งต้นจะใช้ปริยัติอะไรคือควรบอกให้รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรหรือมีอะไรที่ควรรู้บ้างซึ่งจำเป็นสำหรับบุคคล น, นี้เพราะปริยัติที่เหมาะสาหรับคนนี้คนโน้นบางทีก็ไม่เหมือนกันเพราะในการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคคลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปริยัตินั้น เกิดจากการที่พระองค์ได้ทรงสอนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมากมายซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงสอนให้เหมาะแก่บุคคลให้เหมาะที่จะได้ผลแก่บุคคล น, นั้นๆทีนี้เราไปเรียนปริยัตทั้งดุลรวมเอาที่ทรงสอนคนน้นบ้างคนนี้บ้างมาปนเข้าด้วยกันทั้งหมดเป็นวัตถุดิบทั้งนั้นหลายอย่างไม่เหมาะกับตัวเราเลยก็เลยไม่ค่อยได้ผลนอกจากนั้นจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่เป็น ปรับไม่ถูกตอนนี้แหละที่อาจารย์มีประโยชน์มากคือมาทำหน้าที่เลือกเฟ้นให้และปรับให้เหมาะกับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นการเลือกเฟ้นปริยัตินั้นให้เหมาะสมกับขั้นตอนอย่างหนึ่งและให้เหมาะสมกับตัวบุคคลอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เฉพาะเท่าที่ใช้ที่จำเป็นอย่างหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างปริัต กับปฏิบัติเป็นอันว่าเราจะใช้ปริยัติ้ดยการเลือกเฟ้นของท่านผู้ชำนาญแนะนำให้เราหรือเราจะเรียนปริยัตยิโดยตรงทั้งดุนก็แล้วแต่อันนี้ก็สุดแต่ว่าเราจะมีความประสงค์อย่างไรถ้าเราไม่ไว้ใจอาจารย์เราก็อาจจะนึกว่าสติปัญญาของเราก็ดีพอสมควรเราจะเลือกเฟ้นปริยัตยิด้วยตนเอง เราก็อาจจะไปศึกษาคนา้นคว้าตำรับตำราคมภีด้วยตนเองแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งหลายมาประกอบการพิจารณามาเสริมความรู้ในปริยัติของเราในการที่จะนามาใช้ปฏิบัติ ต, ต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของเราแต่บางคนนั้นเขาเรียนปริยัตโดยมีความมุ่งมาอีกอย่างหนึ่งเช่นแม้แต่พระอรหันต์ซึ่งปฏิบัติเสร็จแล้ว บรรลุผลคือเข้าถึงปฏิเวทแล้วหลายท่านก็ยังกลับมาเรียนปริยัตอีกเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อว่าจะได้สามารถในการสั่งสอนผู้อื่นเพราะว่าประสบการณ์เฉพาะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นก็ได้พระอรหันต์นั้นท่านก็แบบเดียวกับเราบางทีท่านมาเจออาจารย์เลยอาจารย์นั้นเลือกเฟ้นปริยัตที่เหมาะกับท่านเท่าที่จาเป็นเฉพาะตัวท่าน เพราะขั้นตอนนั้นๆท่านก็เรียนรู้มาจากพาะความรู้ที่จำเป็นในวงแคบแล้วก็ปฏิบัติมาจนสาเร็จแต่ความรู้ที่จะไปสอนผู้อื่นนั้นควรจะกว้างขวางพอที่จะเลือกเฟ้นให้เหมาะกับคนทั้งหลายที่ต่างๆกันมากมายมีข้อปลีกย่อยแง่มุมที่จะประยุกยักยืงได้ท่านก็เรียนปริยัตเพิ่มเติมอีกจึงมีปริยัตที่ท่านเรียกว่าพันดาคาริก ป, ปริยัตปริยัต ของผู้เป็นเหมือนคนคลังเพราะเป็นดูดมีคลังที่เก็บของซึ่งเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนอื่นๆด้วยไม่เฉพาะตัวคนเดียวนี่คือความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับปริยัตเป็นอันว่าตอนนี้เรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัตและปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็เกิดผลเป็นปฏิเวทถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ผิดพลาดเกิดความล้มเหลวฉะนั้น ปฏิบัติที่จะถูกต้องก็อาศัยปริยัตินี่แหละเป็นฐานเป็นอันว่าหลักสามอย่างนี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่หลายคนอาจจะเรียนปริยัติแล้วไม่ได้นำมาใช้ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าปฏิบัติเป็นตัวที่ต่อระหว่างปริยัติกับปฏิเวทในเมื่อปริยัติไม่มาสู่การปฏิบัติ ก็ไม่มีตัวต่อที่จะนําไปสู่ปฏิเวทปฏิเวทก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ครบวงจรนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ขอยกมาพูดเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องปริยัตและปฏิบัติว่าปริยัตโดยไม่ปฏิบัติและปฏิบัติโดยไม่ปริยัตนั้นเป็นอย่างไรจริงหรือที่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่มีความอยากข้อสังเกตที่ควรมาทําความเข้าใจกันเรื่องต่อไปคือหลายคนมีความรู้สึกว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ผลแล้วก็จะไม่อยากได้อยากดีอะไรเป็นคนไม่มีความอยากถ้าจะไปเป็นชาวพุทธที่มีชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงคาว่าอยาก แล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอาการของความอยากและพยายามแสดงตัวให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเรานี้ไม่มีความอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายอย่างหนึ่งทำกันจนกระทั่งชักจะให้เกิดความรู้สึกหรือมีภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วไปว่าเป็นคนที่ไม่มีความอยากทีนี้ความอยากนั้นเป็นคำที่ยังน่าสงสัยอยู่ ยังจะต้องทำความเข้าใจเหตุที่เราไปจำกัดว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องกำจัดความอยากต้องเลิกไม่ให้มีความอยากก็เพราะเราเข้าใจความอยากนั้นว่าเป็นตัณหาเป็นอกุศลธรรมแล้วเราก็เข้าใจว่าความอยากนี้มีประเภทเดียวคือตัณหาเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ จะต้องตัดต้องละต้องเลิกให้หมดเราก็เลยต้องพยายามไม่อยากพยายามละเลิกความอยากต้องพยายามเป็นคนที่ไม่มีความอยากแสดงตัวว่าเป็นคนปราศจากความอยากอะไรทำนองนี้จึงจะต้องมาทำความเข้าใจกันว่าความอยากนั้นมีสองอย่างมีทั้งความอยากที่ถูกต้องและความอยากที่ไม่ถูกต้องอย่ารังเกียจความอยากกราดไปหมด ต้องระวังมากถ้าไม่มีความอยากบางทีความไม่อยากหรือความไม่มีความอยากนั่นแหละอาจจะเป็นตัวกิเลสเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติก็ได้ความอยากมีสองแบบคืออะไรความอยากนั้นในภาษาพระใช้คํากลางๆว่าฉันทะฉันทะแปลว่าความอยาก เรากลับไปเริ่มต้นความอยากที่ชันทะไม่เริ่มต้นที่ตันหาความอยากเรียกว่าชันทะหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าชันทะที่นี้ชันทะที่แปลว่าความอยากนั้นมีสองแบบชันทะประเภทที่หนึ่งเรียกว่าตันหาชันทะตันหาชันทะคือความอยากแบบตันหาความอยากแบบตันหาคือความอยากได้สิ่งบนเปล่ตน ปนเปลือตาปลนเปลือหูปลนเปลือยจมูกปนเปลือลิ้นปนเปลือกายปนเปลือใจคือได้สิ่งที่ทําให้เกิดความสุขสบายทางประสาทสัมผัสความอยากประเภทนี้มักมีตามธรรมดาของมันเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยพอมนุษย์เกิดมาก็จะมีความปรารถนาความอยากจะได้สิ่งเสพมาบํารุงบําเรอตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่ต้องมีความรู้ว่า อะไรเป็นคุณแก่ชีวิตหรือไม่ในเมื่อความอยากแบบนี้เป็นไปโดยไม่ต้องมีความรู้จึงเรียกว่าเป็นความอยากที่เกิดจากอวิชชาฉะนั้นความอยากที่เรียกว่าตัณหานี้จึงสัมพันธ์กับอวิชชาไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยเป็นไปตามความรู้สึกเท่านั้นพอรู้สึกถูกตาถูกหูถูกลิ้นก็อยากทันที แต่ถ้าไม่ถูกตาไม่ถูกหูไม่ถูกลิ้นก็ไม่อยากไม่ชอบใจทันทีอยากได้แต่สิ่งที่บำรุงบำเรอ์ปรนเปล่ตนเองเอาแค่สุกตาสุกหูสุกลิ้นพออยากขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดคุณค่าแก่ชีวิตหรือไม่สิ่งที่บำรุงบำเรอตนเองนั้นอาจจะทาให้เกิดโทษเกิดภยัยแก่ชีวิตก็ได้หรือโดยบังเอิญอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้ พูดอย่างภาษาสมัยปัจจุบันก็ว่าอาจจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรืออาจจะทำลายคุณภาพชีวิตก็ได้เป็นเรื่องสุ่มๆเสียเส่ยงๆเพราะไม่เป็นไปด้วยความรู้แต่เอาแค่ความรู้สึกเท่านั้นจึงมักจะทำลายคุณภาพชีวิตเสมากกว่าเหมือนตัวอย่างง่ายๆที่ยกมาพูดบ่อยๆเช่อนอยากในรถอาหาร ใครๆพอเกิดมาไม่ต้องเรียนรู้อะไรก็มีความรู้สึกว่าอร่อยและไม่อร่อยแล้วก็อยากในสิ่งที่อร่อยเมื่ออยากในสิ่งที่อร่อยถ้าไม่มีความรู้เลยก็มุ่งแต่อร่อยอย่างเดียวทำไปตามความอยากกินจนกระทั่งเกินขนาดอาจจะกินสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายทาลายคุณภาพชีวิตนี่คือความอยากด้วยตัณหา แต่ถ้ามีความรู้ขึ้นมาก็จะมีความอยากอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเป็นความอยากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตซึ่งต้องเกิดจากความรู้หรือต้องมีความรู้ความเข้าใจจึงจะเกิดขึ้นได้คือมีความรู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตเป็นประโยชน์แก่ชีวิตหรือไม่ความอยากอย่างนี้เป็นความอยากหรือชันทะประเภทที่สองเรียกชื่อว่า กุศลชันทะหรือธรรมะฉันทะแปลว่าความอยากที่เป็นกุศลหรือความอยากในธรรมตอนนี้เราก็ได้ความอยากครบสองแบบความอยากประเภทที่สองเป็นความอยากในสิ่งที่มีคุณค่าทำให้เกิดคุณภาพชีวิตสัมพันธ์กับความรู้โดยที่จะต้องมีการทำลายอาวิชชาหรือลดอวิชชาและต้องมีวิชาเกิดขึ้นบ้าง พอเริ่มมีวิชามีความรู้เราก็เริ่มรู้จักแยกว่าอะไรจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วก็จะมีความอยากประเภทที่สองคืออยากในสิ่งที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรืออยากทำให้เกิดคุณภาพชีวิตความอยากประเภทที่สองคือกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะนี้เมื่อจะเรียกสั้นๆท่านเรียกแค่ว่าฉันทะ ระวังจะสับสนตรงนี้ส่วนความอยากประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าตันหาฉันทะเวลาเรียกสั้นๆก็เหลือแค่ตันหาเพราะฉะนั้นคาว่าตันหาและคาว่าฉันทะก็เลยกลายเป็นความอยากคนละประเภทไปเลยแต่ที่จริงนั้นถ้าเรียกให้เต็มตันหาก็เป็นตันหาฉันทะและฉันทะที่เป็นความอยากฝ่ายดี ก็เป็นกุศลชันทะหรือธรรมะชันทะชื่อเต็มเป็นอย่างนั้นรวมความตอนนี้เพื่อให้จำง่า ย, ายก็แยกเป็นความอยากสองอย่างคือตัณหาอย่างหนึ่งชันทะอย่างหนึ่งตัณหาคือความอยากโดยไม่มีความรู้เพียงแต่จะสนองความรู้สึกเสพสมบำรุงบาเรลพนเปลิประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเอง ส่วนชันทะาคือความอยากประเภทที่สองคือความอยากในคุณภาพชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เริ่มตั้งแต่รู้จักแยกว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแก่ชีวิตอย่างแท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจไว้ก่อน วิธีปฏิบัติต่อความอยากในทางธรรมนั้นท่านแยกวิธีปฏิบัติต่อความอยากสองประการนี้ความอยากประการที่หนึ่งคือตัณหาที่เกิดจากความไม่รู้หรือเป็นไปโดยไม่มีความรู้ซึ่งเป็นไปเพื่อการบำรุงบำเรอปรนเปรอประสาทสัมผัสนั้นท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องควบคุมให้ดีหรือแม้แต่จะเลิกให้ได้แทนที่ด้วยชันทะ หรือเอาไว้แต่ฉันทะถ้าเรายังไม่มีฉันทะไม่มีปัญญามากตัณหานี้จะต้องใช้ในลักษณะของการควบคุมหรือเบนเอามาใช้ให้เป็นปัจจัยแก่ความอยากประเภทที่สองคือจะต้องหันเหให้เข้ามาเป็นความอยากประเภทที่สองให้ได้ส่วนความอยากประเภทที่สองที่เรียกว่าฉันทะนั้นเกิดขึ้นแล้วให้ระ ง, งับด้วยการทำให้สาเร็จ เมื่อทำสำเร็จแล้วชันทะนี้จะระงับไปเองอย่างที่หนึ่งนั้นระงับทันทีหรือควบคุมทันทีเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นความอยากประเภทที่ว่าพอมันเกิดขึ้นปั๊บเราก็ระงับทันทีหรือว่าคุมทันทีหรือว่าเบนทันทีให้มันมาเชื่อมกับชันทะให้ได้ส่วนประเภทที่สองคือชันทะ ไม่ว่าจะเบนมาจากตันหาก็ตามหรือเกิดจากความรู้โดยตรงก็ตามให้ระ ง, งับด้วยการทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นชันทะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องระ ง, งับเหมือนกันแต่ระ ง, งับด้วยการทำให้สำเร็จไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างอยู่เมื่อมีชันทะแล้วก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จนี่คือหลักสำคัญในการที่จะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้า คนที่จะปฏิบัติธรรมจะต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นท่านถือว่าฉันทะเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงในเมื่อเราจะต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องแรกจึงต้องรู้จักแยกกันให้ดีระหว่างความอยากที่ถูกต้องหรือความอยากที่เป็นธรรมชอบรมกับความอยากที่ไม่ถูกต้องหรือความอยากที่ไม่ชอบรม แล้วก็เลือกปฏิบัติในความอยากที่ถูกต้องชอบทำและกระตุ้นเราให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉันทะนี้เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องในภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าแรงจูงใจเราก็แบ่งแรงจูงใจออกเป็นสองประเภทคือแรงจูงใจประเภทตันหาที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจและไม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คือไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือทำลายคุณภาพชีวิตกับแรงจูงใจประเภทฉันทะที่เป็นไปด้วยความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตฉันทะหรือความอยากประเภทที่สองนี้ถ้าเราใช้ภาษาชาวบ้านก็จะแยกออกจากฉันทะประเภทที่หนึ่งได้ง่ายความอยากประเภทที่หนึ่งหรือตัณหานั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่าย ก็คืออยากได้อยากมีหรือใช้อีกคำหนึ่งว่าอยากเสรส่วนชันทะหรือความอยากฝ่ายกุศลแปลว่าอยากรู้อยากทำหรือฝ่ายรู้ฝ่ายทำทำในที่นี้สะกดด้วยททหารคือการกระทานะครับเวลาท่านแปลเป็นภาษาบาลีโดยใช้ศัพท์เต็มชันทะท่านขยายเป็น กตุกรรมมายตาฉันทะแปลว่าฉันทะคือความต้องการจะทำถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลความอยากทั้งสองนี้เมื่อเอามาใช้ในแนวคิดสมัยใหม่ก็สัมพันธ์กับค่านิยมคืออยากได้อยากมีนั้นเข้ากันกับค่านิยมบริโภคส่วนอยากทำอยากรู้เข้ากันกับค่านิยมผลิตมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมในความหมายแคบๆ แ, แต่ใช้ได้กับการพัฒนาประเทศทั้งหมดด้วยปัจจุบันประเทศของเรามีปัญหาเรื่องค่านิยมและเรื่องแรงจูงใจนี้มากคนในสังคมมีแรงจูงใจประเภทตันหามากและทำให้เกิดค่านิยมบริโภคซึ่งทำให้ไม่เกิดการสร้างสรรค์และทำให้พัฒนาประเทศไม่สาเร็จ คนไทยเรามักมองสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้สึกที่อยากจะมีอยากจะใช้เท่านั้นไม่ได้คิดอยากจะผลิตทำอย่างไรจะเปลี่ยนให้คนของเราเมื่อเห็นอะไรที่เป็นความเจริญแล้วอยากจะทำให้ได้อย่างนั้นแม้แต่ความเข้าใจในคำว่าเจริญเนี่ยคนไทยเราก็มักเข้าใจความหมายแบบนักบริโภคถามว่าเจริญคืออย่างไรเห็นฝรั่งเจริญเราก็บอกว่า จเจริญคือมีใช้อย่างฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็เป็นนักบริโภคเราคิดแต่หาทางให้มีอย่างเขาทีนี้ถ้าเข้าใจความหมายของความจเจริญอย่างนักผลิตก็จะมองใหม่คือมองว่าจเจริญคือทำได้อย่างเขาเราเคยมองอย่างนี้ไหมเด็กหรือคนของเราเนี่ยมองภาพของความจเจริญว่าคือทำได้อย่างเขามีบ้างไหม แม้แต่ว่าจะเล่นเด็กๆของเราก็มักจะเล่นเพียงเพื่อสนุกสนานเล่นแบบนักบริโภคนักเสพเราไม่ค่อยได้ฝึกเด็กของเราให้เล่นแบบนักผลิตหรือนัก ร, รมสำหรับนักผลิตนั้นแม้แต่จะเล่นก็มีความหมายว่าเล่นแบบนักรรมคือฝึกทำอะไรต่ออะไรให้เป็นพยายามเล่นทำอะไรต่างๆให้เป็นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันสัมพันธ์โยงกันไปหมด เพราะฉะนั้นจากอันนี้คือแรงจูงใจที่ผิดพลาดเมื่อมีแรงจูงใจแบบตันหาอยู่แล้วก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ในการแก้ปัญหานั้นเราจะมัวมาลบล้างกำจัดตันหากันอยู่ก็ไม่ไหวเป็นการแก้ด้านลบอย่างเดียวแต่เราก็มักจะเน้นกันมากในแง่นี้แม้แต่ในวงการนักปฏิบัติก็เป็นเน้นที่การลดละตันหา ลดละความอยากไม่เน้นในด้านบวกการเน้นด้านบวกก็คือให้ส่งเสริมฉันทะขึ้นมาทําอย่างนี้จะเป็นการดีกว่ามัวไปเน้นด้านลบคือส่งเสริมให้เอาตัวบวกมาแทนตัวลบเอาชันทะมาแทนตัณหาผู้ที่ปฏิบัติธรรมต้องมีฉันทะแล้วก็ระงับความอยากที่เรียกว่าฉันทะนั้นด้วยการทําให้สําเร็จ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศด้วยเพราะความอยากมีอยากใช้อยากได้อยากบริโภคนั้นเป็นตัวการทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาคนให้มีความอยากทำอยากผลิตพร้อมทั้งความอยากรู้จึงจะพัฒนาไปได้ธรรมะฉันทะแปล ว, ว่าอยากในธรรมคือธรรมะ ธรรมหรือธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ดีงามและความจริงหรือความจริงความถูกต้องดีงามแง่ที่หนึ่งธรรมหรือธรรมะนี้คือความจริงธรรมะชันทะก็คืออยากในความจริงเมื่ออยากในความจริงต้องการเข้าถึงความจริงก็ต้องอยากรู้เพราะฉะนั้น อยากในความจริงจึงต้องมีความอยากรู้จึงมีความหมายของชันทะแง่ที่หนึ่งว่าอยากรู้หรือใยรู้แง่ที่สองธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีงามธรรมะชันทะก็คอกกืออยากให้เกิดมีสิ่งที่ดีงามเมื่อยากให้เกิดมีสิ่งที่ดีงามก็ต้องทำให้เกิดให้มีขึ้น สิ่งที่ดีงามจะเกิดมีขึ้นสำเร็จได้ก็ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นธรรมันทะหรือเรียกสั้นๆว่าชาทะก็จึงมีความหมายว่าอยากทำทำในที่นี้สะกดด้วยทศหารคือการกระทำนะครับรวมความว่าต้องการเข้าถึงความจริงและต้องการให้สิ่งดีงามเกิดขึ้น เมื่อต้องการเข้าถึงความจริงและให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นก็ต้องอยากรู้และอยากทำอยากรู้ก็จะได้เข้าถึงความจริงอยากทำก็เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดมีเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงแปลฉันทะว่าอยากรู้และอยากทำในเมืองไทยปัจจุบันนี้ต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้มาก ส่งเสริมความใยรู้และใยทมคือการกระทาซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังขาดแคลนมากในสังคมไทยปัจจุบันรวมความว่าในหลักของพระพุทธศาสนานี้มีความอยากสองประเภทที่เราจะต้องแยกให้ถูกต้องอย่าไป น, นึกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการพยายามที่มุ่งแต่เพียงลดละความอยากแล้วก็รังเกียจกลัวความอยาก แสดงตัวว่าไม่มีความอยากจะทำให้เกิดท่าทีที่ผิดพลาดแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ดีทำให้เกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกแล้วว่าความอยากที่ถูกต้องสัมพันธ์กับปัญญาตอนแรกจะต้องรู้การที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นความจริงและอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามก็คือต้องมีปัญญาคนเรา ก็จึงต้องมีการเรียนรู้การศึกษามีความมุ่งหมายประการหนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องแต่แรงจูงใจที่ถูกต้องนั้นจะเกิดมีและเดินหน้าไปไม่ได้ในเมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องดีงามคืออะไรแล้วทีนี้เมื่อการศึกษาดาเนินไปถูกต้องแล้ว การศึกษานั้นก็ทำให้คนเกิดปัญญามีความรู้ความเข้าใจเมื่อมองเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็มีฉันทะในสิ่งนั้นพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาซึ่งเป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบอกว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัณหาไม่ได้เป็นอยู่ด้วยอวิชชาเปลี่ยนจากความไม่รู้ที่ทำให้ดิ้นรนไปตามความอยากซึ่งมุ่งแต่จะบำรุงบำเรอตนเองหันมามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจึงมีความต้องการในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องจึงอยากในสิ่งที่ควรอยากคืออยากในสิ่งที่รู้ว่ามีคุณประโยชน์ทำให้เกิดคุณภาพชีวิต ความอยากอย่างนี้จึงต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ก่อนหรือเป็นไปพร้อมด้วยความรู้ความต้องการหรือแรงจูงใจที่ถูกต้องจึงเริ่มจากการมีความรู้แต่จะมีความรู้ได้ก็ต้องศึกษาคือพัฒนาคนให้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาจึงจะรู้จักที่จะอยากอย่างถูกต้องแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเมื่อชีวิตดาเนินไปอย่างนี้ ก็จึงเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเฉยไม่เอาเรื่องหรือคือปฏิบัติธรรมราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือในวงการนักปฏิบัติไม่น้อยเลยได้มีความโน้มเอียงที่จะรู้สึกกันว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติ หรือปฏิบัติสำเร็จแล้วจะเป็นคนเฉยๆไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรความรู้สึกนี้กลายเป็นทัศนคติที่ชักจะเป็นไปมากเป็นเรื่องที่น่าจะต้องรีบยกขึ้นมาพิจารณาและถ้าผิดพลาดก็จะต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้ชาวพุทธจำนวนมากมีความรู้สึกทำนองว่าเมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นถ้าใครเฉยๆก็เป็นคนหมดกิเลส ความรู้สึกคลุมเครือยอย่างเนี้ยเป็นอันตรายมากจะต้องมาทำความเข้าใจกันแม้แต่คำว่าเฉยก่อนคำว่าเฉยนี้เรามักจะเอาไปโยงกับคำว่าอุเบขาอุเบขาแปลว่าวางเฉยทางพระท่านว่าวางเฉยมีสองแบบเฉยแบบที่หนึ่งคือวางเฉยแบบที่เป็นอกุศลเป็นบาปควรกาจัด เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าอัญญานุเบคามาจากคําว่าอัญญนะยาณะหรือยานแปลว่าความรู้อัญญะก็คือความไม่รู้แล้วไปบวกกับอุเบคาที่แปลว่าความวางเฉยก็แปลว่าวางเฉยโดยไม่รู้เรียกตามภาษาไทยง่ายๆก็คือเฉยโง่เฉยเขา่าเฉยไม่รู้ คนจำนวนมากเฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวเมื่อไม่รู้ก็เลยเฉยที่นี้เฉยแบบที่สองเป็นกุศลธรรมเป็นสภาพจิตที่ดีงามคือเฉ ย, ยด้วยความรู้โดยวางใจเป็นกลางในสิ่งต่างๆเพราะรู้จังหวะหรือความพอดีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลสิ่งของเรื่องราวหรือสถานการณ์นั้นๆเรียกว่าเป็นอุเบกขาตรงๆง ไม่ต้องมีคำอะไรอื่นนำหน้าเป็นอุเบกขาแท้เป็นอุเบกข า, าที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องของการวางท่าทีที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเห็นคนสามประเภทคนพวกที่หนึ่งเฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้มีเรื่องราวเดือดร้อนเป็นปัญหาก็ไม่รู้พวกนี้ก็เฉย ต่อไปพวกที่สองคือคนที่เ อ, อะอะโวยวายตื่นตูมพอมีเรื่องราวปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตื่นเต้นโวกวากตีพอยตีพายต่างๆพวกนี้ก็เลยเถิดไปอีกแบบหนึ่งเป็นพวกที่รู้ครึ่งๆกลางๆสุดท้ายพวกที่สามคือพวกที่รู้จริงคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้ด้วยว่าจะทำอะไรเมื่อไรพวกนี้รู้จังหวะรู้ขั้นตอน รู้ว่าจะทำอย่างไรรู้วิธีแก้ไขพวกนี้อยู่ตรงกลางที่จุดพอดีก็เฉยเหมือนกันมีสามพวกท่านว่าพวกไหนปฏิบัติถูกต้องพวกที่หนึ่งแน่นอนละไม่ถูกต้องเรียกว่าอัญญาณุเบกขาคือเฉ ย, ยไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ก็เลยเฉย พวกที่สองนั้นเอะอะวอยวายเพราะรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งก็เลยตื่นเต้นหรือตื่นตูมพวกนี้ก็แก้ปัญหาไม่ค่อยสำเร็จบางทีปะเหมาะแก้ถูกก็ดีไปแต่มักจะทำให้เรื่องสับสนหรือบานปลายออกไปพวกที่สามนั่นแหละจึงจะเป็นพวกที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเพราะมีความรู้แล้วจึงวางใจเฉยนิ่งได้และเฉยไว้ก่อนแต่รู้จังหวะว่าจะทาอะไรเมื่อไหร่ พวกนี้ไม่ใช่เฉยไปเลยนะเฉยเตรียมพร้อมเฉยพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องให้ถูกจังหวะเฉยดูรู้ทีคอยท่าพร้อมอยู่อันนี้คือการวางเฉยที่ต้องการในทางธรรมะในการปฏิบัติธรรมนั้นมีการวางเฉยคือวางใจเป็นกลางทั้งวางใจเป็นกลางต่อบุคคลวางใจเป็นกลางต่อสภาพแวดล้อม และ ว, วางใจเป็นกลางต่อธรรมะแม้แต่ธรรมะต่างๆก็ต้องมีการวางใจเป็นกลางท่านยกตัวอย่างเหมือนกับสารธีขีม่ม้าหรือแม้แต่ขับรถก็ตามตอนแรกขับรถรถยังวิ่งไม่เข้าที่ก็ต้องเร่งเครื่องบ้างต้องเลื่อนโน่นเลื่อนนี้บ้างอะไรต่างๆต้องใช้ความเพียรพยายามเอาเรียวแรงมาหันพลิกดึงรัง้งอะไรมากมายแต่พอรถวิ่งเข้าที่ เช่นถ้าเป็นรถม้าม้าวิ่งเรียบสนิทดีแล้วสารัีจะนิ่งแกจะวางเฉยนั่งสงบสบายแต่เป็นการเฉ ย, ยที่มีความรู้ตัวพร้อมอยู่คำว่าอุเบกขานั้นมาจากอุปะวกอิขะอิขะแปลว่าเห็นหรือมองอุปะแปลว่าคอยหรือเข้าไป จึงแปล ว, ว่าเข้าไปมองหรือคอยมองดูแสดงว่าไม่ได้เฉยเมยหรือเฉยเมินแต่เฉยคอยมองอยู่คือรู้ตัวตื่นพร้อมในคำพีท่านอธิบายว่ามองตามเรื่องที่เกิดคือมองพอเหมาะมองพอดีมองเสมอกันอยู่ไม่ตกข้างใดข้างหนึ่งหรือยังไม่ไปข้างไหนจึงว่าวางใจเป็นกลางอาจจะเฉยรอ หรือเฉยดูรู้ทีคอยท่าพร้อมอยู่หรือเฉยนิ่งสบายใจเรียบสงบในเมื่อทุกอย่างเข้าที่ลงตัวดำเนินไปอย่างประสานสอดคล้องกันหมดสารถีที่ขับรถเก่งแล้วขี่ม้าเก่งแล้วจะไม่ตื่นเต้นโวยวายไม่เหมือนคนมือใหม่ซึ่งตื่นเต้นวุ่นวายบางคนกระสับกระส่ายนั่งไม่เป็นสุขแต่คนที่เข้าขี่ม้าได้เก่งแล้ว ขาม้าวิ่งเรียบเข้าที่แล้วเขานั่งนิ่งสบายนิ่งเนียบแล้วก็พร้อมตลอดเวลาที่จะแก้ไขมีอะไรจะต้องแก้ไขม้าวิ่งผิดพลาดอย่างไรเขาแก้ไขทันทีทันควันคนขับรถสมัยปัจจุบันก็เหมือนกันถือพวงมลาลัยอยู่เนี่ยขับชำนาญแล้วแกก็ไม่ตื่นเต้นไม่วุ่นกระวนกระวายไม่ทุรนทุรายอย่างคนขับใหม่แกจะนั่งนิ่งสบาย แต่พร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทุกเวลานี่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาจะอยู่ในลักษณะของคนที่ขับรถหรือขี่ม้าได้นิ่งสนิทแล้วพร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันทีหรือเหมือนอย่างพ่อแม่พ่อแม่เห็นลูกอยู่เป็นปกติสุขสบายรับผิดชอบตัวเองได้ก็วางเฉยแต่ก็มองดูอยู่และพร้อมที่จะแสดงเมตตากรุณาโมทิตาได้ทันที อันนี้เรียกว่าอุเบกขาเป็นธรรมะที่สาคัญต้องมีปัญญาจึงทำได้เราไปเข้าใจกันว่าถ้าเป็นผู้สำเร็จแล้วก็วางเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวเห็นเป็นคนไม่มีกิเลสไปแต่ที่จริงนั้นคนที่หมดกิเลสแล้วเป็นคนหมดเหตุที่จะต้องทำอะไรเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็จะทำให้ผู้อื่นได้เต็มที่ ทำสิ่งที่ควรทำตามเหตุตามผลและทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นคุณในประโยชน์อย่างแท้จริงโดยพร้อมที่จะทำได้ทันทีตลอดเวลาเพราะไม่มีกิเลสมาเหนียวรั้งให้คอยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองแม้แต่ความขี้เกียจความขี้เกียจก็เป็นความเห็นแก่ตนเองอย่างหนึ่งคือไม่อยากทำอะไรเพราะเห็นแก่สบายอยากให้ตัวเองสบายคือเห็นแก่ตน จึงขี้เกียจไม่อยากทำโน่นทานี่ทีนี้คนที่หมดกิเลสนั้นท่านไม่มีกิเลสแม้แต่ความขี้เกียจที่จะมาเหนียวรั้งให้ทำเพื่อตอนเองท่านจึงทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นตัวอย่างของคนที่บาเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นโลกกันนาเป็นผู้บาเพญ็ญโลกตตะจริยา เป็นผู้ไม่อยู่นิ่งเฉยทรงบำเพ็ญพุทธกิจแต่ละวันไม่อยู่เฉยเลยทำงานตลอดวันเดินไปปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงคนอื่นก่อนพอตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำอะไรพุทธกิจประการแรกคือพิจารณาว่าวันนี้จะไปโปรดใครคือใครมีความพร้อมสมควรไปแนะนําสั่งสอนใครเป็นผู้มีปัญหา ใครเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเราควรจะไปชุมชนไหนกลุ่มไหนคนไหนพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็เสด็จไปหาไปโปรดเขาเวลามีเหตุการณ์กระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นพระอระหันต์นำก่อนออกหน้าในการแก้ปัญหาขอให้นึกถึงพระมาหากัรสปะจะได้ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นปฏิปทาของผู้สำเร็จแล้วหมดกิเลส ว่าท่านไม่อยู่นิ่งเฉยพระมหากัสสปะนั้นเป็นพระประเภทอยู่ป่าท่านอยู่ป่าตลอดชีวิตเป็นนักถือทูดงพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทักคะในทางถือทูดงถ้ามองในสายตาคนทั่วไปก็เห็นว่าท่านชอบหลีกตัวจากสังคมมากที่สุดแต่พอมีเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมขึ้นมาคือพอพระพุทธเจ้าวรินิพพาน มีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาในทางที่ไม่น่าไว้ใจอาจจะกระทบกระเทือนต่อพระศาสนาพระมหคัปปะเป็นองค์แรกที่ยกเรื่องขึ้นมาพิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมเสนอว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพพานแล้วไม่ทันไรมีผู้กล่าวถ้อยคำในทํานองที่ไม่น่าไว้วางใจถ้าเราไม่ประมวลหลักทำคําคสอนให้เป็นหมวดเป็นหมูไว้ชัดเจนแล้ววินิจฉัยกันให้จะแจ้งไว้ ไม่ช้าไม่นานธรรมะจะเละเรือนหมดคนก็จะถือเอาความสะดวกสบายประพฤติเอาตามใจชอบจากคําเสนอของท่านก็เป็นเหตุให้เกิดการสังคยนาขึ้นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในระยะหลังต่อมาก็เหมือนกันเวลามีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมต่อพระศาสนาพระอระหันต์จะเป็นบุคคลที่ริเริ่มในการยกเรื่องมาเข้าที่ประชุม แล้วพระอาหารหันต์ก็จะมาพร้อมเพรียงกันในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการประชุมกันนี้ถือเป็นกิจสำคัญของสงฆ์เพราะว่าสงฆ์ก็คือส่วนรวมสังฆกรรมก็คือการกระทาของสงฆ์ได้แก่การประชุมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องราวต่างๆสังฆกรรมนี้เป็นหน้าที่ของสงฆ์เป็นสิ่งสาคัญในวินยัย เพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์และเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ดีทั้งหมดจึงเป็นผู้นำในการที่จะกระตือรือร้อนแก้ไขปัญหาและสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนรวมดังมีคติอยู่ว่าให้มีความเคารพสงฆ์ให้ถือวินัยเป็นสำคัญหัวใจสำคัญของวินยัยคือความเคารพสงฆ์ต้องถือสงฆ์เป็นใหญ่ การเคารพสค์ก็คือเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมากล่าวไว้เพราะมิฉะนั้นแล้วจะทำให้เรามีความไข้เขวและมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอัตมามองดูว่าในสังคมไทยเรากำลังมีภาพอย่างนี้มีทัศนคติอย่างนี้คือไปมีความรู้สึกกันว่าถ้าใครไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้ว ก็เป็นคนหมดกิเลสถ้าอย่างนี้แล้วอันตรายก็จะเกิดขึ้นหมายเหตุผู้อา่านในที่นี้ขอนำความหมายของคำว่าสงมาเพิ่มเติมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจคำว่าสงผิดพลาดอยู่นะครับสำหรับคำว่าสงนั้นแปลว่ามูคณะชุมนุมด้วยหมายถึงภิกษุสีรูปขึ้นไป สามารถประกอบสังฆกรรมได้ตามพระวินัยภิกษุสงฆ์คือหมู่ภิกษุหรือภิกษุทั้งปวงพระสงฆ์พระภิกษุคือสาวกผู้สละเรือนออกบวชรักษาธรรมวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคำว่าพระสงฆ์ในสังฆ ค, คุณหมายถึงอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมมีโสดาบันขึ้นไปในที่นี้รวมไปถึงทั้งคารวาสและเทวดาที่บรรลุธรรมด้วย สมมติติสงคือภิกษุสงฆ์ที่บวชถูกต้องตามพระวินัยแต่ไม่บรรลุธรรมก็อย่าลืมนะครับว่าคำว่าสงคำเดียวหมายถึงหมู่คณะชุมนุมที่สามารถประกอบสังฆกรรมได้ตามพระวินัยปฏิบัติธรรมสำเร็จวัดด้วยอะไร อีกเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณาคือในการตัดสินผลการปฏิบัติว่าใครก้าวหน้าไปแค่ไหนใครเป็นผู้สาเร็จใครบรรลุธรรมเป็นอรหรอันต์หรือไม่จะวัดกันด้วยอะไรเรามักจะตื่นเต้นกันบางทีก็ตื่นเต้นด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารเห็นท่านไหนมีอิทธิฤทธิก็ฮือกันว่าโอ้ท่านคงสาเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว ใครทำนั่นทํานี้ได้ก็เป็นผู้วิเศษบางทีก็ตื่นกันว่าท่านผู้นั้นเข้าสมาธิได้เห็นโน่นเห็นนี่มองเห็นสวรรค์วิมานแม้แต่ไปพบพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้สำเร็จหรือบางทีเห็นผู้ที่ถือศีลเคร่งครัดมากเป็นพิเศษก็นึกว่านี่เป็นผู้สำเร็จทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่มองกันไปต่างๆแต่การตรวจสอบผลสาเร็จที่แท้จริงนั้น ต้องวัดได้ที่ประสบการณ์ตรงที่ในใจของทุกคนนี่เองพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยจะเวได้ง่ายจึงตรัสหลักในการตรวจสอบไวการตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงก็คือให้ดูใจของตนเองว่ามีโลภโกรธลงไหมแล้วละคลายไปได้แค่ไหนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไร มีความคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นหรือไม่มีความเกลียดชังผู้อื่นหรือไม่มีความต้องการในทางที่เห็นแก่ตนมากมายแค่ไหนเพียงไรมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาแค่ไหนเพียงไรใจตัวเองรู้ถึงจะปฏิบัติมีศีลเคร่งครัดแค่ไหนเพียงไรหรือได้ฌานสมาบัติมีอิทธิปาฏิหาริย์อย่างไรหรือจะได้สมาธิดื่มดำอะไรก็ตาม ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องวินิจฉัยในพระธรรมบทก็มีคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่านศีลภัตตมัตเตนะเป็นต้นคาทานี้มีใจความว่าภิกษุไม่ว่าจะถือศีลวัดเคร่งครัดแค่ไหนไม่ว่าจะได้เล่าเรียนปริยัตมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งเพียงใดไม่ว่าจะได้สมาธิสักเท่าใด ไม่ว่าจะเปลีกตัวไปอยู่ในที่สงัดไปอยู่ป่าอยู่เขาขนาดไหนหรือแม้แต่จะได้รู้สึกประจักษ์แก่ตัวเองว่าเรานี้ได้สัมผัสกับความสุขอันประณีตลึกซึ้งภายในที่เรียกว่าเนคขมสุขซึ่งเป็นความสุขที่ปุถุชนไม่รู้จักแม้แต่จะได้ความสุขอย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะก็อย่าเพิ่งวางใจเป็นอันว่ามีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้แล้ว ที่จริงท่านเตือนพระแต่ละองค์นั่นเองให้วินิจฉัยให้ตรวจสอบตนเองแต่เราก็สามารถนำมาใช้กันในสังคมได้ด้วยว่าอย่าไปลงเพลินวัดกันด้วยสิ่งที่ปรากฏอันน่าทึ่งน่าตื่นเต้นด้วยการที่มีริ์ปฏิหารด้วยการที่ได้สมาธิด้วยการที่มีความเคร่งครัดเข้มงวดอะไรต่างๆทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่ให้วางใจ สิ่งที่ตรวจสอบได้แท้จริงคือความจางคลายหมดสิ้นไปของความโลภความโกรธความหลงที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันก่อนซึ่งเป็นเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อไปนี้จะค่อยๆเข้าสู่การปฏิบัติเมื่อจะเข้าสู่การปฏิบัติก็ต้องมีจุดเริ่มต้นก่อน ปฏิบัติธรรมให้ถูกทางตอนที่สองการเริ่มและก้าวหน้าในการปฏิบัติแรงขับเคลื่อนที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมตอนแรกขอพูดถึงต้นทุนและเครื่องประกอบในการปฏิบัติคนเราจะออกเดินทางถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องมีสเสบียงหรือมีทุนและเครื่องมือที่ช่วยในการเดินทาง อาจจะมีเข็มทิศมีไม้เท้ามีไฟฉายมีกระติกน้ำและมีอะไรต่างๆนี่เราก็เดินทางชีวิตที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีทุนมีสเสบียงมีเครื่องประกอบเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือทุนเริ่มแรกเราจะออกเดินทางตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายนี้มีทางที่คนเดินไปถึงได้จริงหรือไม่แต่เราอาจจะเชื่อตำราเชื่อครูอาจารย์ เชื่อคนที่บอกว่าเคยเดินทางไปถึงแล้วเราก็มีความมั่นใจอย่างน้อยก็มีความเชื่อเป็นต้นทุนว่าทางที่เขาบอกนี้เขารู้และเคยไปถึงจุดหมายจริงซึ่งเราก็จะเดินทางไปถึงได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่เริ่มเดินทางคนที่จะเดินทางชีวิตคือปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะต้องมีความเชื่อขั้นพื้นฐาน ความเชื่อนี้ท่านเรียกว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาในที่นี้เป็นศรัท ธ, ธาในความหมายจำเพาะต้องเติมคําว่าโพธิเข้าไปเป็นโพธิศรัทธาเติมยาวออกไปอีกหน่อยให้เต็มว่าตถาคตโพธิศรัทธาแต่จะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าโพธิศรัทธาตถาคตาโพธิศรัทธานี้ท่านแปลกันว่า ความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาต่อมาพระองค์ได้ตรัสรู้ค้นพบสัจธรรมก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายความว่ามีปัญญาที่ทำให้คนกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือมนุษย์สามารถพัฒนาปัญญาของตัวเองให้เป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือ เชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้ามนุษย์จะต้องมีปัญญาตัวนี้และมนุษย์ก็สามารถพัฒนาให้ปัญญานี้เกิดขึ้นได้ตรงกับที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้ถ้าไม่มีความเชื่ออันนี้ก็ไปไม่รอดหรือก้าวไปไม่ได้ฉะนั้น คนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเชื่ออันนี้คือมีตถาคตโพธิสัตธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตคือเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุท ธ, ธะเชื่อว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุดตรัสรู้เป็นพุท ธ, ธะได้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ ในเรื่องนี้มีพุทธภาษิตมากมายมาช่วยประกอบเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศษโถมนุเสเสสุในหมู่มนุษย์นี้มนุษย์ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐฝึกแล้วคือพัฒนาแล้วหรือได้รับการศึกษาแล้วคําว่าธรรมะแปล ว, ว่าฝึกคําว่าภาวนาแปล ว, ว่าเจริญหรือพัฒนาคาว่าศิขา แปล ว, ว่าศึกษานี่เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ใช้แทนกันบ่อยฝึกแล้วก็หมายถึงมีการศึกษาหรือได้พัฒนาแล้วนั่นเองในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นมนุษย์ที่ฝึกแล้วหรือมีการศึกษาหรือพัฒนาแล้วเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดพุทธพจน์แห่งหนึ่งตระสสอนให้คนมีความกล้าหาญเชื่อมั่นในตนเองท่านว่า กัลยาณนางวะตะัตตโพสกิอัตานังอัติมัญสิท่านเออยท่านก็สามารถทาดีได้ยายจึงมาหมิ่นตนเองเสียคนจำนวนมากดูถูกตนเองนึกว่าตนเองไม่มีความสามารถก็เลยย่อท้อไม่สามารถทำสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนด้วยพุทธพจน์นี้ซึ่งก็เป็นบทหนึ่งที่ร้าใจเรา มีพุทธพจน์ประเภทนี้หลายแห่งสำหรับเราใจอยู่เสมอให้มนุษย์มีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองแต่ไม่ใช่เชื่อมั่นอย่างเลื่อนลอยให้เชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเริ่มแรกคือมีโพธิสัตธาความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะได้โพธิสัตฐานี้เมยอออกไปให้เต็มระบบ ก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นเองตอนนี้จะเข้าสู่ทางแล้วพอมีความเชื่อก็เริ่มต้นเดินทางได้ทีนี้ตัวทางเรียกว่าอะไรตัวทางนี้เมื่อกี้ได้ใช้คำหนึ่งว่าปฏิปทาเช่นมัชชิมาปฏิปทาแปล ว, ว่าทางสายกลางแต่คำที่สามัญกว่านั้นคือคำว่ามักคาหรือมัก มัคแปล ว, ว่าทางและในพระพุทธศาสนานี้หลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดก็คือมัคตกลงมาสอดคล้องกันที่นี่ชัดเจนเลยว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการเดินทางได้แก่การดําเนินชีวิตเพราะว่าหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดรวมอยู่ในมัคทั้งสิน้น เครื่องช่วยในการปฏิบัติธรรมตอนนี้เราจะเข้าสู่มรรคแล้วแต่ท่านว่าก่อนที่มรรคจะเกิดขึ้นหรือจะเข้าถึงทางนั้นจะมีบุพนิมิตบุพนิมิตแปลคล้ายๆ ค, คำว่าลางแต่คำว่าลางก็ไม่เหมาะเป็นความเชื่อถือโชคลางก็ไม่เคยดีเอาเป็นว่าหมายถึงสิ่งที่สอดแสดง หรือเครื่องหมายนำหน้าคือเครื่องหมายที่แสดงก่อนหน้าที่เหตุการ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นล่าวคือเมื่ออะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นจะมีบุพนิมิตรหรือเครื่องหมายที่สอดแสดงก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนว่าเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นมาจะมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดก่อนที่เราจะเข้าสู่มรรค ก็จะมีบุพนิมิตของมรรคขึ้นมาก่อนชั้นนั้นบุพนิมิตที่ท่านกล่าวเวนี้มีถึง7ประการด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งหมดดังที่ได้บอกแล้วว่าการปฏิบัตินั้นคือการศึกษาปริยัตและปฏิบัติรวมกันคือการศึกษามรรคของเรานั้นรวมลงในอะไรมรรคก็มีองค์8 ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิจัดรวมเข้าเหลือสามหมวดคือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าอะไรเรียกชื่อว่าไตรสิกขาตกลงว่ามรักกับสิกขามาชนกันแล้วมรักนั้นแยกออกไปพอสรุปอีกทีก็กลายเป็นสิกขาสิกขาก็คือ การทำตัวให้เดินตามมักหมายความว่ามักเป็นตัวทางเดินมันยังอยู่นิ่งๆพอสิกขาขึ้นมาก็คือเราทำตัวให้เดินไปตามมักเมื่อเราทำตัวให้เดินไปทางที่เดินไปนั้นก็เป็นมักเพราะฉะนั้นมักก็คือสิกขาสิกขาก็คือมักแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะต้องแยกให้ถูก สิกขานั้นคือการที่เราทำตัวให้เดินไปตามมัคส่วนมัค ก, ก็คือการที่เราจะเดินด้วยสิกขาตกลงว่ามัคคือการดำเนินชีวิตนี้เป็นเรื่องของการศึกษาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นบุพนิมิตของมัค ก, ก็เป็นบุพภค ข, ของการศึกษาด้วยในวงการศึกษานั้นถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนา จะมองเห็นตรงนี้เป็นจุดสำคัญเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาแสดงหลักการอะไรบ้างประการที่หนึ่งต้องมีตถาคตโพธิสัตธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของมนุษย์ที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเป็นพุทธะได้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ก่อนในการศึกษาก็เหมือนกันต้องมีความเชื่อนี้ แล้วก็ต้องมีบุพนิมิตเจประการเหมือนกันถ้าจะดูว่าตรงกันไหมอย่างน้อยต้องดูว่าพระพุทธศาสนาเสนออะไรที่จะมานำมรรคและการศึกษาโดยดูที่บุพนิมิตเจ็ประการนี้บุพนิมิตนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลางหรือเป็นเครื่องหมายที่สอดแสดงว่าเราจะเข้าถึงมรรคเท่านั้นแต่เป็นปัจจัยสาคัญซึ่งท่านบอกว่า จะทำให้มาร์กที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาร์กที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเต็มบริบูรณ์ด้วยหมายความว่ามันเป็นเครื่องช่วยในระหว่างเดินทางด้วยกล่าวคือตอนแรกมันเป็นเครื่องช่วยนำเข้าสู่ทางแล้วต่อไประหว่างเดินทางมันก็เป็นเครื่องช่วยให้เราเดินทางได้ผลดีจนกระทั่งบรรลุจุดหมายด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งตัวนาและตัวช่วย ตัวนำและตัวช่วยที่เรียกว่าบุพนิมิตของมรรคคือบุพพภาคของการศึกษาเจ็ดประการคืออะไรบ้าง 1. กัลยานามิตตาความมีกัลยานามิตข้อนี้พูดกันบ่อยๆอยู่แล้วท่านเอามายกเป็นข้อที่หนึ่งเลยความมีกัลยานามิตถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆ ก็คือมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีซึ่งถ้าจำกัดแคบเข้ามาก็เป็นตัวบุคคลเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะครูอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่สำคัญที่สุดของการยาณมิตรคือการช่วยแนะนำชี้แจงชักนำเด็กเข้าสู่ทางที่ถูกต้องชักนำเข้าสู่การศึกษาครูมีหน้าที่ในแง่นี้จึงเป็นบุพนิมิตของการศึกษา เพราะฉะนั้นพูดในความหมายหนึ่งครูทําหน้าที่เป็นบุพนิมิตของการศึกษาไม่ใช่เป็นตัวการศึกษาครูไม่สามารถให้การศึกษาแก่เด็กได้แต่ครูเป็นผู้สามารถชักนําเด็กเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาเพราะทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรตลอดไปจนกระทั่งถึงสื่อมวลชนที่ดีสื่อมวลชนปัจจุบัน ทำหน้าที่สําคัญในทางการศึกษามากรวมทั้งทําลายการศึกษาด้วยถ้าเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ดีก็ทําลายการศึกษาถ้าเป็นสื่อมวลชนที่ดีก็ทําหน้าที่ให้การศึกษาปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนจะทําบทบาททางการศึกษามากยิ่งกว่าครูอาจารย์ในโรงเรียนด้วยซ้ําไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญประการแรกคือจะต้องมีกัลยาณมิตร อย่างไรก็ตามการมีกัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างเดียวตัวเองก็ต้องรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรด้วยจริงอยู่เป็นหน้าที่ของสังคมโดยเฉพาะหัวหน้าที่รับผิดชอบเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปกครองจะต้องทําตัวเป็นกัลยาณมิตรสรรหาและสรรสร้างกัลยาณมิตรให้แก่คนในความรับผิดชอบของตน เช่นสรรหาและสรรสร้างรายการทางสื่อมวลชนที่ดีๆเป็นต้นแก่เด็กและประชาชนแต่ตัวเด็กและตัวคนนั้นๆเองก็ต้องรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรเองด้วยเช่นรู้จักเลือกคบคนรู้จักหาแหล่งความรู้แหล่งความคิดสร้างสรรรู้จักเลือกบุคคลที่จะนิยมเป็นแบบอย่างในความประพฤติหรือในการครองชีวิตเป็นต้น การศึกษาจะเริ่มต้นจริงเมื่อคนนั้นเองเริ่มรู้จักหากรยาณมิตรพูดง่ายๆว่าถ้าเด็กเริ่มรู้จักเลือกดูรายการโทรทัศน์รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์รู้จักคบหาหรือเลือกปรึกษาคนนั่นคือการศึกษาเริ่มต้นแล้วช่องทางแห่งชีวิตที่ดีงามหรือมักได้เปิดขึ้นแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมลงลึก ในด้านจิตตภาวนาเช่นจะไปทำกรรมฐานถ้าได้อาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรหรือรู้จักเลือกกัลยาณมิตรรู้จักสอบถามปรึกษาแม้แต่รู้จักเลือกอ่านค้นคว้าหนังสือคู่มือคำอธิบายก็เป็นเครื่องหมายสอดแสดงถึงความหวังในการที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมนั้น ปุพานิมิตข้อที่2ศีละสัมปทาการทำศีลให้ถึงพร้อมศีลคืออะไรศีลคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยราบรื่นในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมเริ่มตั้งแต่ความมีวินัยและข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมความสัมพันธ์ในสังคมที่ดีเมื่อกี้ในข้อหนึ่ง เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมเป็นเรื่องที่ว่าเราได้จากสังคมมาให้กับตัวแต่มาถึงข้อที่สองนี้เรามีส่วนร่วมที่จะต้องให้แก่สังคมบ้างและเป็นการเริ่มฝึกตนเองแล้วด้วยคือฝึกตัวเองให้มีวินัยที่จะไม่ให้ตัวเองไปเป็นเครื่องก่อกวนให้เสียความเรียบร้อยของสังคมแต่ให้เป็นส่วนร่วมที่ช่วยสร้างความเรียบร้อยราบรื่น ศีลสัมปทามีความหมายว่าทําศีลให้สมบูรณ์ทําศีลให้เต็มขึ้นมาการทําให้มีศีลขึ้นมานี้ก็หมายถึงว่าต้องสร้างสรรค์ความมีศีลสัมปทาในที่นี้คือการสร้างสรรค์หรือทําให้สมบูรณ์ทําให้มีขึ้นมาเต็มที่ศีลสัมปทาคือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม ตัวเองจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีด้วยต้องเกื้อกูลแก่สังคมด้วยไม่ใช่เป็นฝ่ายรับจากการยานมิตรอย่างเดียวตัวเองจะต้องแสดงออกต่อผู้อื่นในทางที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำความเดือดร้อนแก่สังคมจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็จัดระเบียบการดาเนินชีวิตของตนให้ดีทาไมจะต้องมีศีล ถ้าอุปมาจะเข้าใจง่ายในบ้านหรือที่ทำงานหรือในห้องที่อยู่ของเราถ้าข้าวของเครื่องใช้วางสมแกะ ก, กะสับสนไปหมดจะเคลื่อนไหวจะทำอะไรจะหยิบอะไรใช้ก็ติดขัดไม่สะดวกไม่มีช่องที่จะลงหาของที่จะใช้ก็ไม่เจอจึงต้องจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเป็นที่เป็นทางจึงจะอยู่สบายและทาอะไรอะไรได้คล่องสะดวก ชีวิตของเราและสังคมก็เหมือนกันถ้าสับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบเช่นวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรเวลาไหนอยู่ด้วยกันมีแต่การเบียดเบียนต้องหวาดกลัวคอยระแวงระวังอันตรายก็ไม่เป็นอันทำอะไรไม่มีทางจะทำอะไรให้ชีวิตและสังคมเจริญงอกงามขึ้นไปได้จะทำอะไรก็ไม่มีช่องที่จะลงจึงต้องมีการจัดระเบียบชีวิตและจัดระเบียบสังคม อย่างน้อยไม่ให้อยู่อย่างสับสนวุ่นวายไม่ให้สังคมเต็มไปด้วยการเบียดเบียนละเมิดต่อกั น, นเมื่อจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมสังคมให้เรียบร้อยดีแล้วสภาพชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นก็เอื้อโอกาสแก่การที่จะทำความดีงามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือทำกิจกรรมอย่างอื่ น, นในทางที่จะพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคมนั้นให้มากและให้ได้ผลดีต่อไป ความมีชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าศีลการจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อยราบรื่นเรียกว่าวินยัยพูดอีกอย่างหนึ่งในทางกลับกันว่าวินัยคือการจัดระเบียบชีวิตและความสัมพันธ์ในสังคมให้เรียบร้อยเพื่อเอื้อโอกาสต่อการสร้างสรรพัฒนายิ่งขึ้นไปและศีลก็คือความมีวินัย หรือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนั้นพูดให้สั้นอีกํำนวนหนึ่งว่าวินัยคือการจัดระเบียบไอเอื้อโอกาสต่อการพัฒนาของชีวิตและสังคมและศีลคือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนั้นการที่จะฝึกให้มีศีลข้อสำคัญก็คือการมีวินยัยโดยเฉพาะสำหรับพระจะเห็นว่าการที่จะมีศีล น, นั้น หลักสําคัญก็คือการฝึกในเรื่องวินัยวินัยก็คือระเบียบการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมเพราะฉะนั้นหลักข้อนี้ก็คือการที่จะต้องสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีในทางสังคมการรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีโดยไม่เบียดเบียนกันโดยเกื้อกูลกันและมีระเบียบในการดาเนินชีวิตอันนี้ก็เป็นบุคพลนิมิตของการศึกษา บุพนิมิตข้อที่สฉชันทะสัมปทาการทำชันทะให้สมบูรณ์ก็คือการสร้างสารรค์แรงจูงใจที่เรียกว่าชันทะที่พูดไปแล้วแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญมากในการศึกษาถ้าไม่มีแรงจูงใจเราจะก้าวเดินไปได้ยากเราจะเดินไม่ออกหรือไม่ยอมออกเดินเพราะฉะนั้นจะต้องมีแรงจูงใจ จะ ต, ต้องเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องคือฉันทะคือความใฝ่รู้และใฝ่ทาหรืออยากรู้อยากทำที่ได้พูดมาแล้วไม่ใช่เอาแต่อยากได้อยากมีอยากเสพสำหรับปัจจุบันอย่างน้อยต้องให้เกิดค่านิยมในการผลิตโดยเลือกผลิตแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุพนิมิตข้อที่4อัตตะสัมปทาการทำตนให้สมบูรณ์หรือพัฒนาตนให้เต็มที่อัตตะสัมปทานี้ขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยคือพอดีมีคำภาษาอังกฤษที่เขาใช้มาตรงกันเข้าเรียกว่า self actualization ในจิตวิทยาการศึกษาปัจจุบันหลักการนี้มีความสำคัญอยู่พอสมควร self a t u a l i z a t i o n ที่จริงอยู่ในอัตตาสัมปทานี้เองเรามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์อยู่แล้วตามหลักโพธิสัตธามาถึงตอนนี้การสร้างสรร์นตนเองให้สมบูรณ์ก็คือการพัฒนาศักยภาพนั้นให้เต็มที่อัตตะสัมปทานี้เป็นสัพทธรรมะที่เรามองข้ามไปหลักเหมือนกันว่าทำไมเราจึงข้ามหลักนี้ไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับข้ออื่นๆในชุดเดียวกันรวมเป็นเจ็ดข้อและเรียงลำดับไว้อย่างนี้แต่ธรรมะชุดนี้ถูกมองข้ามไปไม่มีใครสนใจพูดถึงข้อไหนบังเอิญปรากฏในที่อื่นด้วยก็มีคนรู้จักแต่หลายข้อในชุดนี้เป็นหลักธรรมที่คนไม่คุ้นเลยจึงต้องเอามาทบทวนกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุพนิมิตของมรรคข้อที่สี่ คืออัตตาสัมปทาการสร้างสรร์นตนเองให้สมบูรณ์หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มที่หมายความว่าต้องทำศักยภาพของตนให้เต็มบริบูรณ์ผู้ที่เป็นปุตุชนก็ต้องพัฒนาตนให้เป็นอริยชนหรืออริยะบุคคลผู้ที่เป็นอริยะบุคคลอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาให้สูงขึ้นไปถ้าเป็นโสดาบันก็ก้าวต่อไปให้เป็นพระสกทาคามี และพระอนาคามีตามลำดับจนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ถึงความเป็นพระอาเศขะหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์จบกระบวนการของการศึกษาอย่างไรก็ตามข้อนี้จะไม่อธิบายมากเพราะในความหมายทั่วไปสมัยปัจจุบันก็อธิบายกันอยู่แล้วเพียงแต่ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้เป็นข้อที่สในบุพนิมิตของการศึกษา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 คือทัศนคติค่านิยมความคิดเห็นท่าทีของบุคคลต่อสิ่งต่างเจ็คติหรือทัศนคติและค่านิยมมีความสำคัญมากในการศึกษาพระพุทธเจ้าสอนว่าจะต้องมีทิฏฐิมีทัศนคติมีค่านิยมที่ถูกต้องในการศึกษานั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือการพัฒนาในเรื่องทัศนคติและค่านิยม ซึ่งเรียกว่าทิฏฐิสัมปทาทัศนคติและค่านิยมที่สำคัญซึ่งพระพุทธศาสนาย้ำก่อนอื่นถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัยอันนี้เป็นทัศนคติสำคัญในการมองโลกเพื่อจะให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเด็กของเราได้ฝึกการมองโลกมองชีวิตแบบนี้บ้างไหม หลักการต่างๆในชุดนี้ว่าที่จริงก็สัมพันธ์กันทั้งหมดแม้แต่แรงจูงใจในการสร้างสรรค์และในการใฝ่รู้ถ้าเรามีทัศนคติในการมองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยก็จะสนับสนุนให้เราอยากรู้อยากเข้าถึงความจริงทำให้เราสืบค้นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเพราะการที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายได้นั้นจะต้องค้นหาเหตุปัจจัยของมัน หลักความจริงประการสาคัญอย่างหนึ่งก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาประกาศหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยทัศนคติหรือท่าทีของมนุษย์ต่อโลกที่ควรจะต้องมีเป็นประการแรกก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์หรือตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัยจะต้องพยายามฝึกกันให้มีทัศนคตินี้ ส่วนท่าทีหรือทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างอื่นจะตามมาทีหลังเช่นค่านิยมในการผลิตเป็นต้นถ้าเรารู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการมองเห็นเหตุปัจจัยก็คือการมองเห็นกระบวนการเกิดมีขึ้นของสิ่งต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายการมองในแนวทางที่จะสืบค้นเหตุปัจจัยย่อมส่งเสริมการอยากรู้ความจริงและการสร้างสรรสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นเพราะในการเรียนรู้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั้นจะทำให้มองเห็นอาการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดมีขึ้นและการที่สิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วนั้น เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบทอดต่อไปอีกอย่างไรอย่างไรทำให้อยากเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่ดีงามและอยากรู้ความจริงในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั้นในทางกลับกันความใยรู้และใยสร้างสรรค์ก็ส่งเสริมการมองหาเหตุปัจจัยด้วยเพราะเมื่อเด็กอยากจะทำอะไรอยากจะสร้างสรรค์อะไร แกจะต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยว่าสิ่งนี้ทำขึ้นมาได้อย่างไรมีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เขาจะต้องทำเพื่อสร้างสารรค์มันขึ้นมาอย่างน้อยผู้ที่ดาเนินชีวิตอยู่ในโลกอยู่ในสังคมทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติทําอะไรก็ตามเมื่อมองดูความสาเร็จหรือความล้มเหลวความเจริญหรือความเสื่อมของตนเองก็ตาม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 คือทำให้รู้จักคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุปัจจัยตามหลักโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นจึงให้มีการสร้างเสริมหรือสร้างสรรทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องคือให้มีทิฏฐิสัมปทาเป็นประการที่5บุพานิมิตข้อที่6 อปมาทะสัมปทาการสร้างสามมรสรค์ความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ความไม่ประมาทนั้นคือการมีจิตสํานึกในเรื่องการเวลาและความเปลี่ยนแปลงคนที่จะมีความไม่ประมาทก็เพราะสํานึกในเรื่องการเวลาว่าเวลาเคลื่อนไปผ่านไปตลอดเวลาเดี๋ยววันหมดไปเดี๋ยวคืนหมดไปเดี๋ยวเดือนหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่ง การเวลาและวารีไม่รอใครจะทำอะไรต้องรีบทำเพราะฉะนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้นเร่งขวนขวายทำสิ่งต่างๆอันนี้คือจิตสำนึกในการเวลาทีนี้ความสำนึกในการเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงการเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไรการเวลากำหนดด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่มีวันมีคืนก็เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเองรอบหนึ่งก็เป็นวันหนึ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปได้รอบหนึ่งเต็มบริบูรณ์ก็เป็นปีหนึ่งการเวลาผ่านไปร้อมด้วยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ไม่อยู่นิ่งตลอดเวลาทุกส่วนในชีวิตของเราทั้งรูปธรรมนามธรรม มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราจะต้องแตกดับอย่างแน่นอนและชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจึงต้องขวนขวายเรียนรู้และกระทำเหตุปัจจัยเท่าที่เราทำได้ให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทพระพุทธศาสนาสอนนักสอนหนาในเรื่องความเปลี่ยนแปลง สอนหลักอนิจจังว่ามีการเกิดขึ้นและการดับสลายก็โดยต้องการให้เรามีความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสปัจชิมวาจาวาจาสุดท้ายที่ตรัสก่อนปรินิพานเหมือนกับวาจาสั่งเสียของพระองค์คือว่าวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือแปลว่าจงทำกิจให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทหรือที่นิยมแปลกันให้ได้ความเต็มที่ว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพุทธพจนี้แสดงถึงการที่พระองค์นําเอาหลักอนิจจังหรือหลักความไม่เที่ยงนี้มาสัมพันธ์กับความไม่ประมาท รตรัสเรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเพื่อกระตุ้นเราให้ไม่ประมาทแต่เรามองข้ามพระพุทธพจน์สาคัญที่เป็นปัจฉิมวาจาหรือวาจาสุดท้ายนี้ไปการที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียสิ่งใดก็แสดงว่าพระองค์ต้องถือว่าสิ่งนั้นสำคัญมากแต่ชาวพุทธไม่ค่อยเอาใจใส่คําสั่งเสียของพระศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไม่ประมาท เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเราจึงควรมีจิตสํานึกในการเวลาและจิตสํานึกในความเปลี่ยนแปลงและให้จิตสํานึกในความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตัวกระตุ้นเราให้มีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นบุพนิมิตของการศึกษาหรือเป็นเครื่องนําเข้าสู่การเดินตามมรรคหรือการปฏิบัติธรรมก็คือความกระตือรือรน้นความเร่งขวนขวายไม่ประมาท หลักพระพุทธศาสนาย้ำเตือนเราไม่ให้เป็นคนเฉยชาไม่ให้เป็นคนอยู่นิ่งเฉยให้มีสติระลึกระวังตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเหตุของความเสื่อมก็เร่งหลีกละแก้ไขป้องกันอะไรจะเป็นเหตุของความเจริญก็เร่งปฏิบัติจัดทำอัปมาตธรรมนี้ พระพุทธเจ้าตรัสย้ำไว้ไม่รู้กี่ครั้งย้ำในฐานะบุพพนิมิตของการศึกษาย้ำในฐานปะปัจฉิมวาจาย้ำในฐานะที่เป็นธรรมะที่ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดเหมือนกับรอยเท้าช้างหลายท่านคงเคยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายย่อรวมลงได้ในรอยเท้าช้างชันใด ธรรมะทั้งหลายก็รวมลงได้ในความไม่ประมาทฉันนั้นถ้ามีความไม่ประมาทแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมทุกข้อแต่ถ้าประมาทเสียอย่างเดียวธรรมะทั้งหลายที่เรียนมาก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นจึงให้มีความไม่ประมาทตกลงว่าอปมาทสัมปทา การสร้างสรรค์ความกระตือรือร้อนความเร่งขวนขวายหรือการมีจิตสำนึกในเรื่องการเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กระตือรือร้อนอยู่เสมอนี้เป็นหลักสำคัญที่เรียกว่าเป็นบุพนิมิตรประการที่หกของการศึกษาบุพนิมิตข้อที่7โยนิโสมนสิการสัมปทาการทำโยนิโสมนสิการ ให้ถึงพร้อมหรือสร้างสรรนโยนิโสมนสิการให้สมบูรณ์โยนิโสมนสิการแปลว่าการทาในใจโดยแยกคายคือการรู้จักพิจารณาโดยแยกคายแปลแบบภาษาสมัยใหม่ว่ารู้จักคิดหรือคิดเป็นโดยเฉพาะการพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามแนวทางของเหตุปัจจัย ถ้าเรามีทิฏฐิสัมปทามีท่าทีแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแล้วก็หวังได้ว่าเราจะใช้โยนิโสมนสิการและถ้าเราใช้โยนิโสมนสิการเราก็จะเจริญยิ่งขึ้นในทิฏฐิสัมปทาความจริงหลักเหล่านี้สัมพันธ์กันหมดเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็โน้มเอียงที่จะพาตัวอื่นๆเกิดตามมาด้วย ดังนั้นเมื่อมีแรงจูงใจที่ถูกต้องตามหลักชันทสัมปทาซึ่งเป็นข้อที่สก็จะเร้าใจให้คิดพิจารณาสืบค้นเหตุปัจจัยเป็นต้นโยงมาถึงข้อสุดท้ายคือโยนิโสมนาสิการด้วยเช่นกันแม้แต่ข้อที่หนึ่งคือความมีกัลยาณมิตรก็สัมพันธ์กับโยนิโสมนาสิการนี้อย่างใกล้ชิดตัวอย่างเช่น การรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรทําให้เด็กรู้จักเลือกดูรายการทีวีและเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์จากนั้นโยนิโสมนสิการนี้ก็พาลึกลงไปอีกคือทําให้เด็กรู้จักดูรู้จักอ่านรู้จักพิจารณาให้ได้สาระประโยชน์จากรายการที่ดูและจากหนังสือที่อ่านนั้นอย่างแท้จริงเพราะถ้าเรามีโยนิโสมนาสิการเราก็จะมองสิ่งทั้งหลายโดยพิจารณาว่า เอตปัจจัยของมันเป็นอย่างไรแยกแยะให้เห็นว่าองค์ประกอบของมันเป็นอย่างไรมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามีคุณมีโทษอย่างไรมีทางแก้ไขอย่างไรจะเอาอะไรไปใช้ประโยชน์ได้บ้างอย่างไรผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในสังคมหรืออยู่กับตนเองหรือจะปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามก็ต้องรู้จักคิด พิจารณารู้จักทาใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องรู้จักพิจารณาประสบการณ์ที่เข้ามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เผชิญในทางที่จะให้เกิดกุศ ล, ลธรรมเกิดความรู้สึกที่ดีงามไม่เกิดโทษแก่ชีวิตและเกิดปัญญาที่จะแก้ไขโดยวิธีที่ถูกต้องตลอดจนรู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวิตหรือสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงว่า มีอาการแห่งตรลักษ์อย่างไรจนถึงขั้นมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นปลอดโปรง่งเบิกบานผ่องใสด้วยความรู้แจ้งได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนาสิการทั้งสิน้นหลักประการที่7คือโยนิโสมนาสิการนี้ได้พูดในที่อื่นมากแล้วจึงไม่จำเป็นต้องย้ำอีกตกลงว่า บุพนิมิตของการปฏิบัติธรรมหรือรุ่งอรุณของการศึกษามีเจ็ดประการด้วยกันในการให้การศึกษาจะต้องเน้นองค์เจ็ดประการนี้เมื่อองค์เจ็ดประการนี้เกิดขึ้นแล้วตัวการศึกษาก็จะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนเหมือนสีทั้งเจ็ดที่เป็นองค์ประกอบของรุ่งเจ็ดสีลมกลืนกันเข้าเป็นแสงตะวันสองโลกให้สว่างหายมืดมนพ้นอันตรการ ตัวการศึกษานั้นเริ่มที่สัมมาทิฐิซึ่งเป็นแสงสว่างเริ่มต้นของดวงปัญญาคือย่างเข้าสู่มรคหรือตัวมรคนั่นเองเมื่อเราทำตัวให้เดินตามมรกก็คือศึกษาศึกษาก็มีองค์ประกอบสมส่วนศีลสมาธิปัญญาแล้วแยกออกไปเป็นสัมมาทิฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิ แต่บุพานิมิตของมรรคและของการศึกษานั้นคืออะไรเราอย่าลืมถึงตอนนี้บางท่านอาจจะสงสัยก็เลยขอแทรกคำถามเข้ามาว่าหลักธรรมที่เป็นบุพานิมิตเจข้อนี้ไม่ได้อยู่ในมรรคหรือเช่นอย่างศีลเนี่ยไม่ได้อยู่ในมรรคหรือตอบว่าใช่หลักเจข้อนี้ที่จริงก็อยู่ในมรรคแล้วแต่ก็มีเหตุผลที่ต้องยกมาตั้งไว้ต่างหากอีก จะขออุปมาให้ฟังเหมือนกับเราพูดว่าแพทย์พระภิกษุครูอาจารย์นี้เป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นบุคคลที่มีประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ประชาชนก็ต้องถามว่าแล้วแพทย์พระภิกษุครูอาจารย์นั้นไม่ได้เป็นประชาชนหรือก็เป็นใช่ไหมแต่เป็นการแยกพูดเพื่อความประสงค์พิเศษเรื่องนี้ก็เหมือนกันหลักเจข้อนี้ก็รวมอยู่ในมารกนั่นแหละ แต่แยกออกมาตั้งไว้สําหรับทําหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งในความหมายแบบเดียวกับที่ว่าแพทย์พระภิกษุครูอาจารย์แม้จะเป็นประชาชนเหมือนกันแต่ในบางกรณีเราพูดแยกออกมาจากประชาชนว่าเป็นบุคคลต่างๆที่บําเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนคําว่าตํารวจทหารข้าราชการและประชาชนก็เหมือนกันอาจมีคนสงสัยได้ว่าทําไมไปแยกอย่างนั้นตํารวจทหารข้าราชการ ไม่ได้เป็นประชาชนหรือก็เป็นเหมือนกันแต่พูดแยกเพื่อความหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนี่ก็เหมือนกันตกลงว่าตอนนี้เราพูดถึงบุพนิมิตของการศึกษาได้ครบแล้วทั้งเจประการผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหรือไปเป็นนักเรียนอยู่กับครูอาจารย์ในโรงเรียนคนที่ทางานอยู่ในองค์กร และหน่วยราชการต่างๆตลอดจนถึงผู้ที่ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสมถะกรรมฐานอยู่ในป่าอยู่ในที่สงัดหลีกเร้นหรือบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่ในที่ใดก็ตามก็ควรจะต้องสร้างสารหลักบุพนิมิตเจประการนี้ให้มีประจำตัวจะได้เป็นหลักประกันในการที่จะก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบัติธรรมนั้นๆจนกว่าจะบรรลุความเจริญงอกงามเต็มบริบูรณ์ แห่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีในตนปัจจัยตัวเอกของการศึกษาในบรรดาหลักบุพนิมิต7ประการนี้จะเห็นว่ามีหัวข้อสำคัญอยู่เป็นตัวต้นกับตัวท้ายสองตัว คือตัวควบหัวกับควบท้ายพระพุทธเจ้าทรงจับเอามาวางเป็นหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งจัดเป็นชุดว่ามีสองอย่างเป็นหลักใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นตัวการที่จะนำเข้าสู่การศึกษาที่แท้จริงคือตัวต้นกับตัวท้ายได้แก่ตัวที่หนึ่งกับตัวที่เจ็ดได้ชื่อพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิกล่าวคือ ข้อที่หนึ่งกัลยานามิตรทำหน้าที่ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นครูอาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะชักนำเด็กเข้าสู่การศึกษาโดยชักนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและข้อที่สองโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดคิดเป็นจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกับการพึ่งตนเองได้เป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิท่านแยกเป็นปัจจัยสองอย่างคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอกเป็นอิทธิพลจากภายนอกที่เรียกว่าบราโตโคสะที่ดีส่วนโยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายในตกลงว่าตัวนำของการศึกษาจะมาเน้นที่ปัจจัยหลักสองตัวนี้เพราะฉะนั้นครูอาจารย์จะมีบทบาทสำคัญในการศึกษามากก็ในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรและบทบาทท้ายสุดและสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ตัวเด็กเองที่จะต้องมีโยนิโสมนสิการ ตอนสุดท้ายเหลือสองปัจจัยในเ็ดประการคือปัจจัยตัวนอกเช่นครูอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรฝ่ายหนึ่งและตัวเด็กเองที่มีโยนิโซมานาสิการฝ่ายหนึ่งปัจจัยสำคัญสองตัวนี้จะเป็นตัวการเอกที่นำเข้าสู่การศึกษาถ้ามองในแง่การจัดการศึกษาอบรมโดยทําเป็นกิจกรรมและกิจการ กัลยาณมิตรที่ดีจะทำหน้าที่กระตุน้นบุพพานิมิตทั้ง7ประการได้หมดเลยคือกัลยาณมิตรกระตุ้นให้เด็กเป็นคนรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรให้เด็กรู้จักจัดระเบียบการดำเนินชีวิตให้เป็นและมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีสร้างเสริมแรงจูงใจที่ถูกต้องเร้าให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตอนเองขึ้นไปจนสมบูรณ์นำให้เด็กมีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง ทำให้เด็กมีจิตสำนึกในการเวลาและความเปลี่ยนแปลงปลุกให้มีความกระตือรือร้อนขวนขวายตลอดจนกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการก็ได้ครูทาหน้าที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง6อย่างที่เหลือพร้อมทั้งช่วยให้เด็กรู้จักสแสวงหาแหล่งความรู้แหล่งการสร้างสรรค์อันเป็นหลักกัลยานามิตตตาที่แท้ซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็กเอง รวมเป็นบุพนิมิตครบทั้ง7ประการแต่ถ้ายังต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาคอยช่วยเด็กนั้นคนนั้นก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้จริงต่อเมื่อใดเด็กรู้จักใช้โยนิโสมนสิการได้ดีก็พึ่งตนเองได้จริงในกระบวนการของการศึกษาเพราะฉะนั้นในขั้นสุดท้าย ท่านจึงยกเอาตัวต้นกับตัวสุดท้ายมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นปัจจัยของสมาทิฏฐิและเมื่อถึงที่สุดหรือแก่นที่แท้จริงตัวสุดท้ายคือโยนิโสมนสิการจะเป็นตัวตัดสินเป็นอันว่าในที่นี้ก็ได้เห็นบทบาทความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะไปบำเพ็ญกรรมฐานไปทำสมาธิท่านก็สอนว่า เริ่มต้นให้เข้าไปหากัลยานามิตรเพราะอะไรก็เพราะว่าการเข้าไปหากัลยานามิตรนั่นแหละเป็นการปฏิบัติตามหลักบุพพนิมิตข้อแรกแล้วกัลยานามิตรนั้นก็จะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้บุพพนิมิตทั้งหกประการหลังเกิดขึ้นโดยในที่สุดก็ไปยุติที่ต้องรู้จักใช้โยนิโสมนสิการด้วยตนเองและถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่สามารถ เราก็ต้องพยายามใช้โยนิโซมาสิการให้มากปฏิบัติธรรมวัดผลอย่างไรเมื่อเราได้ทุนและเครื่องประกอบในการเดินทางแล้วต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่การเดินตามมักได้บอกแล้วว่าตัวทางที่เดินก็คือมัก มัคมีองค์8ประการอันที่ทราบกันแล้วไม่ต้องบรรยายในรายละเอียดแล้วก็ได้บอกแล้วด้วยว่าการฝึกชีวิตให้ดำเนินตามมัคหรือการทำตัวให้เดินไปตามมัคนั้นคือสิกขาหรือการศึกษาดังได้อธิบายแล้วว่าการศึกษากับมัคสัมพันธ์กันอย่างไรทีนี้ต่อไปก็จะพูดถึงการตรวจสอบหรือวัดผล เมื่อกี้นี้ได้บอกให้ตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองโดยดูว่าโลภโกรธหลงมีน้อยหรือมากได้ลดละให้เบาบางหรือหมดไปหรือยังแต่นั่นเป็นการตรวจสอบโดยพูดเชิงลบอย่างรวบรัดการตรวจสอบด้านที่หนึ่งดูกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปมีการวัดด้วยคุณธรรมต่างๆที่งอกงามขึ้นมา แทนอากุศลและธรรมคือจะต้องดูว่ากุศลและธรรมเจริญขึ้นมาแทนที่อากุศลแค่ไหนหลักการวัดความเจริญในการเดินตามมักหมวดหนึ่งมีห้าอย่างประการที่หนึ่งดูว่ามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นความดีงามมากขึ้นหรือไม่มีความมั่นใจแม้แต่ในโพธิสัต t h เชื่อในศักยภาพของตอนเองที่จะพัฒนาขึ้นไปหรือไม่เมื่อมีความเชื่อมั่นมากขึ้นก็เรียกว่ามีศรัทธามากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลธรรมที่เจริญเพิ่มขึ้นโดยสรุปคือดูว่ามีศรัทธามีความเชื่อมีความมั่นใจในกุศลธรรมในความดีงามต่างๆมากขึ้นหรือไม่ประการที่สอง เมื่อปฏิบัติเดินตามมากไปมีระเบียบในการดำเนินชีวิตดีขึ้นไหมมีการประพฤติตนอยู่ในสุจริตดีขึ้นไหมอันนี้เป็นส่วนที่แสดงออกภายนอกในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นต้องเอามาวัดดูด้วยว่าเราดำเนินชีวิตดีขึ้นไหมมั่นคงในสุจริตมากขึ้นไหมมีระเบียบวินัยราบเรือนดีไหมมีความสัมพันธ์กับโลกกับมนุษย์ กับสังคมดีขึ้นไหมเรียกสั้นๆว่ามีศีลดีขึ้นไหมประการที่สมดูว่าเรามีความรู้จากการที่ได้สดับได้ค้นคว้าอะไรต่างๆมากขึ้นไหมได้เรียนรู้มากขึ้นและกว้างขวางเพียงพอไหมในธรรมะที่จะปฏิบัติต่อๆไปหรือในสิ่งที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาหรือในการพัฒนาตน ได้ประสบการณ์ต่างๆมาเป็นข้อมูลของความรู้มากขึ้นหรือไม่เรียกสั้นๆว่ามีสุตตะมากขึ้นไหมประการที่สมีความลดละกิเลสทีดด่มากขึ้นไหมกิเลสต่างๆโดยเฉพาะความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวนี่ละได้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไหม มีความเสียสละมากขึ้นไหมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นไหมมีจิตใจกว้างขวางโปร่งเบามากขึ้นไหมเรียกสั้นๆว่ามีจารคะมากขึ้นไหมประการสุดท้ายคือปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่งทั้งหลายตรวจสอบว่า เรามีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไหมเรารู้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงมากเพียงใดเรามองเห็นเหตุปัจจัยและความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายชัดเจนดีสามารถนำความรู้มาเชื่อมโยงใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์พัฒนาให้เป็นผลดีหรือไม่อันนี้เป็นตัวแกนแท้ที่ต้องการเป็นตัวคุมทั้งหมดตกลงว่า หัวข้อนี้ก็เป็นหลักหนึ่งในการตรวจสอบความเจริญคือดูว่ามีศรัทธามากขึ้นไหมมีศีลมากขึ้นไหมมีสุตตะมากขึ้นไหมมีจาคะมากขึ้นไหมและมีปัญญามากขึ้นหรือไม่อันนี้เรียกว่าอริยวัตรแปลว่าความเจริญของอริยชนความเจริญแบบอริยะ ได้แก่หลักวัดความเจริญหรือพัฒนาการของอาริยชนถ้ามีความเจริญเพียงว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นอย่างเดียวแต่มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอย่างนั้นไม่ถือว่ามีความเจริญในการศึกษาหรือในการพัฒนาชีวิตที่แท้จริงหรือมีโทสะมีความเกลียดชังมีกิเลสต่างๆมากขึ้นก็เช่นเดียวกัน การตรวจสอบวัดผลเรื่องที่สองดูการทําหน้าที่ต่อธรรมะต่างๆที่จริงหลักตรวจสอบมีหลายอย่างหลักอย่างหนึ่งเป็นการดําเนินตามอริยสัจสี่กล่าวคือการปฏิบัติธรรมนั้นได้แก่การดําเนินตามหลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของอริย ส, สัจสีในการปฏิบัติจึงต้องดูว่าเราปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจ4ี่ถูกต้องหรือไม่ อริยสัจสี่มีหน้าที่ประจําแต่ละข้อถ้าปฏิบัติต่ออริยสัจสี่แต่ละข้อผิดก็ถือว่าเราได้เดินทางผิดแล้วอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกคือตัวปัญหาเรามีหน้าที่ต่อมันอย่างไรหน้าที่ต่อปัญหาหรือความทุกข์ก็คือหน้าที่ที่เรียกว่าทำความรู้จักท่านเรียกว่ากาหนดรู้ รู้จักว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหนมีขอบเขตเพียงใดเราจะแก้ปัญหาเราจะแก้ความทุกข์เราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรปัญหาของเราคืออะไรขอบเขตของมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นที่ตั้งของปัญหาถ้าจับไม่ถูกแล้วก็เดินหน้าไปไม่ได้จับตัวปัญหาให้ได้ซะก่อนแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหานั้นทั้งหมด เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปสร้างปัญหาเราไม่มีหน้าที่ไปเอาปัญหามาวุ่นวายใจมาเก็บมากังวลมาทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีหน้าที่ทุกข์แต่เรามีหน้าที่รู้จักทุกข์นี้เป็นประการที่หนึ่งคือรู้จักตัวปัญหาตามที่เป็นจริงอริยสัจข้อที่สองสมุทยัย คือเหตุของทุกข์เรามีหน้าที่อย่างไรหน้าที่ที่จะต้องทําต่อสมุทัยก็คือสืบสาวค้นหามันให้พบให้รู้ว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วละมันให้ได้แก้ไขกระบวนการให้สำเร็จคือกำจัดสาเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของความทุกข์ไม่ใช่กำจัดปัญหาปัญหานั้น เรากำจัดไม่ได้เราแก้ปัญหาด้วยการกำจัดเหตุของมันอริยสัจข้อที่สนิโรธคือความดับทุกข์การแก้ปัญหาสำเร็จหรือภาวะปราศจากปัญหาเป็นความมุ่งหมายการแก้ปัญหาสำเร็จคืออะไรจุดหมายที่ต้องการคืออะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่กระบวนการแก้เป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ามันคืออะไรและเป็นไปได้แล้วเราก็มีหน้าที่ต่อมันคือบรรลุถึงหรือเข้าถึงแต่การที่จะเข้าถึงมันคือจะเข้าถึงจุดหมายก็ดีจะกําจัดสาเหตุของปัญหาก็ดีแก้ไขปัญหาได้ก็ดีจะต้องไปสู่ข้อสุดท้ายคือมรรคอริยสัจข้อที่สมรรค มรรคเป็นทางเดินก็คือข้อปฏิบัติซึ่งเรามีหน้าที่คือลงมือทรรมเป็นข้อสุดท้ายต้องลงมือทาตั้งแต่บุพคลนิมิตของมรรคเป็นต้นไปทีเดียวธรรมะทั้งหมดจัดเข้าในอริยสัจสี่ได้ทั้งสิน้นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตามที่สัมพันธ์กับมนุษย์หรือที่มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องประเภทหนึ่งนั้นจัดเข้าในจาพวกที่เรียกว่าทุก ซึ่งเป็นปัญหาและสิ่งที่ต้องเผชิญสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประเภทที่สองจัดเข้าในจำพวกสิ่งที่เป็นโทษก่อทุกข์ภัยเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประเภทที่สามจัดเข้าในจำพวกสิ่งที่พึงประสงค์หรือเป็นจุดหมายและสิ่งทั้งหลายประเภทที่สี่ จัดเข้าในจำพวกสิ่งที่จะต้องทำหรือเป็นวิธีปฏิบัติแล้วเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องอย่างที่หนึ่งทำความรู้จักกำหนดให้ถูกอย่างที่สองกำจัดสาเหตุอย่างที่สามคือเข้าถึงจุดหมายและอย่างที่สี่คือลงมือทำหรือลงมือเดินทาง หลักการนี้ก็ใช้ในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันคือในเวลาที่ไปเกี่ยวข้องกับธรรมะก็ควรจะจัดให้ถูกด้วยว่าธรรมะนั้นอยู่ในประเภทไหนในสีข้อนี้เมื่อจัดเข้าถูกต้องแล้วเราก็จะปฏิบัติถูกหน้าที่ว่าหน้าที่ต่อข้อนั้นคือเราจะต้องทําอะไรอย่างไรธรรมะสี่ประเภทนั้นหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีชื่อเรียกเฉพาะตามหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อมันคือหนึ่งสิ่งทั้งหลายที่เป็นทุกข์เป็นปัญหาเป็นที่ตั้งของปัญหาหรือเป็นจุดเกิดปัญหาเมื่อมนุษย์ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้องเรียกว่าบริ ญ, ญญาธรรมคือสิ่งที่จะต้องกำหนดรู้หรือทำความรู้จักตัวอย่างเช่นร่างกายจิตใจชีวิตโลก ความผันผวนปรนแปรวิปโยคโศกเศร้าผิดหวังความรู้สึกสุขหรือทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดความจำความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขันหอายตนะสิบสองไตรลักษ์และธรรมะอื่นทํานองนี้ 2. สิ่งทั้งหลายที่เป็นจำพวกเหตุก่อทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา เรียกว่าปหาตพธรรมคือสิ่งที่จะต้องละเลิกแก้ไขกาจัดตัวอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวความถือตัวความเย่อหยิ่งความเกียจคร้านความเกลียดชังความริษยาความเบื่อหน่ายความท้อแท้ความเฉื่อยชาความฟุ้งซ่านความระแวงความประมาทความโง่เขลา อากุศ ล, ลมูลกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานสังโยชนิวรและธรรมะอื่นทํานองนี้ 3. สิ่งทั้งหลายที่พึงประสงค์เป็นจุดหมายที่ควรทำให้สำเร็จหรือควรได้ควรถึงเรียกว่าสัจจิกาตับพระธรรมคือสิ่งที่จะต้องเข้าถึงหรือประจักษ์แจ้ง ตัวอย่างเช่นความสงบความร่มเย็นความบริสุทธิ์ความปลอดโปร่งโล่งเบาความผ่องใสความเบิกบานความไร้ทุกข์ความสุขที่แท้สุขภาพภาวะปลอดพ้นปัญหาความเป็นอิสระหรืออิสระภาพวิชาวิมุตติสุสันตินิพพานและธรรมะอื่นทํานองนี้ข้อที่สี่ สิ่งทั้งหลายที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นวิธีการเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องบําเพ็ญเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายเรียกว่าภาเวตัพรธรรมคือสิ่งที่จะต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นให้เจริญงอกงามเพิ่มพูนขึ้นหรือต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติตัว อ, อย่างเช่นเมตตาไมาตรีหรือมิตรภาพกรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียรความมีกำลังใจฉันทะศรัทธาสติสมาธิปัญญาสัมปชัญญะมรรคไายศิกขาสมถวิปัสนาและธรรมะอื่นทํานองนี้รายละเอียดของธรรมะสี่ประเภทหรือการจัดประเภทสิ่งทั้งหลายในโลกมีอย่างไรจะไม่กล่าวในที่นี้แต่พูดง่ายๆว่าหลักนี้ท่านได้ใช้ในการตรวจสอบ วัดผลสำเร็จในการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมว่าสิ่งที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้หรือรู้จักแล้วหรือไม่สิ่งที่ควรแก้ไขกาจัดเราได้แก้ไขกาจัดแล้วหรือยังสิ่งที่ควรประจักษ์แจ้งเราได้ประจักษ์แจ้งแล้วแค่ไหนและสิ่งที่ควรปฏิบัติจัดทำให้เกิดให้มีขึ้นจนบริบูรณ เราได้ปฏิบัติจัดทาแล้วเพียงใดการตรวจสอบวัดผลในเรื่องที่สามดูสภาพจิตที่เดินถูกระหว่างทางในการปฏิบัติธรรมคือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือฝึกฝนพัฒนาตนไปนั้นระหว่างการปฏิบัติ พัฒนาหรือศึกษาก้าวหน้าไปเรื่อยๆควรจะสังเกตดูสภาพจิตใจของตนไปด้วยว่าเป็นอย่างไรในกรณีทั่วไปถ้าไม่มีเหตุพิเศษเมื่อปฏิบัติถูกต้องจิตเดินถูกทางก้าวหน้าดีก็จะเกิดมีสภาพจิตที่ดีงามสอดคล้องกันซึ่งเป็นทั้งคุณสมบัติของจิตนั้นและเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่ได้ผลลักษณะของจิต ที่เดินถูกทางนั้นที่ควรสังเกตมี5อย่างซึ่งเป็นปัจจัยส่งทอดต่อกันตามลำดับคือ 1. ปราโมทได้แก่ความแช่มชื่นร่าเริงเบิกบานใจ 2. ปีติได้แก่ความอิ่มใจและปราบลื่มใจใจฟูขึ้น 3. ปสัสสธิได้แก่ความรู้สึกผ่อนคลายกายใจ ใจเรียบรื่นระ ง, งับลงเย็นสบาย 4. สุขได้แก่ความสุขความคล่องใจโปร่งใจไม่มีความติดคันบีบคัน 5. สมาธิได้แก่ความมีใจตั้งมั่นสงบอยู่ตัวอยู่กับงานที่ทำหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่วกแวกไม่ฟุง้งซ่านพอสมาธิเกิดขึ้น จิตใจก็มีสภาพเหมาะแก่งานที่ท่านเรียกว่าเป็นกรรมนีพร้อมที่จะเอาไปใช้สร้างสรรพัฒนาคิดการและเป็นที่ทำงานของปัญญาอย่างได้ผลดีและสมาธิก็อาศัยองค์ธรรมสี่อย่างแรกนั่นลหละช่วยเกื้อหนุนและทำให้เกิดขึ้นสภาพจิต5้าอย่างนี้เป็นทั้งคุณสมบัติที่ดีงามโดยตัวของมันเอง และเป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมจึงควรพยายามทำให้เกิดขึ้นและการทำสภาพจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวเพียงแค่ข้อที่หนึ่งมีปราโมททำใจให้แช่มชื่นเบิกบานไว้มากๆเมื่อปราโมทนั้นเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้องจิตเดินดีแล้วท่านให้ความมั่นใจว่า จะลุกถึงสันติบ ร, รมธรรมที่เป็นจุดหมายดังคถาธรรมบทที่ว่าตะโตปาโมชพะหุโลทุกขัดสันตังกริสติลำดับนั้นเธอผู้มากด้วยปราโมทจกทาทุกข์ให้หมดสิน้นปาโมชพะหุโลพิกคุ ป, ปรสรรโนพุทธศาสเนอธิคเชปทางสันตังสังขารู ป, ประสมังสุ ข, ขังภิกษุ ผู้เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากด้วยปราโมทจะพึงบรรลุสันติบทที่สงบระงับสังขารเป็นสุขปฏิบัติธรรมให้ถูกทางตอนที่สเนื้อตัวของการปฏิบัติหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม ต่อไปนี้จะเข้าถึงเนื้อตัวของการปฏิบัติแล้วเนื้อตัวของการปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมหัวข้อต่างๆได้บอกไปแล้วว่าได้แก่สิกขาซึ่งแยกออกเป็นศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาหรือแยกแบบง่ายๆที่เน้นด้านภายนอกสำหรับขฤรืหัดเป็นทานศีลภาวนาซึ่งเรียกว่าบุญสิกขา หลักการศึกษาสามอย่างจะเป็นไรศิกขาหรือบุญศิกขาก็ตามควรจะทบทวนความหมายกันไว้เล็กน้อยพอได้สาระ 1. ศีลได้แก่การมีสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมที่จัดระเบียบไว้เป็นอย่างดีไม่สับสนวุ่นวายด้วยความหวาดระแวงเวรไภและความไร้ายกำหนดกฎเกณฑ์ปราศจากกติกา เริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียนไม่ละเมิดทำร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของกันและกันเป็นต้นตามหลักศีล5ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์พื้นฐานในสังคมตลอดจนข้อปฏิบัติ ต, ต่างๆในการฝึกหัดขัดเกลาาพฤติกรรมของบุคคลเพื่อสร้างเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สอดคล้องและเอื้อโอกาสแก่การที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงภาวะสูงสุด ที่เป็นจุดหมายของบุคคลหรือสังคมนั้นศีลมีหลายระดับหรือจัดไว้หลายประเภทให้เหมาะกับสภาพชีวิตและสังคมหรือชุมชนนั้นในการที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตนเช่นศีลหเริ่มด้วยการไม่เบียดเบียนชีวิตหรือการไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกายเป็นมาตรฐานอย่างต่ำสาหรับการจัดระเบียบชีวิตและสังคมของมนุษย์ ให้อยู่ในสภาพที่เอือโอกาสขั้นพื้นฐานในการที่จะสร้างสรรสิ่งที่ดีงามหรือทำการพัฒนาไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดทางจิตใจก็ตามทางวัตถุ ก, ก็ตามศีลแปเพิ่มการรับประทานอาหารจำกัดเวลาและการหัดลดละการหาความสุขจากสิ่งบันเทิงหรือเครื่องปรนเปรยความสุขทางประสาทสัมผัสตลอดจนการใช้เครื่องนั่งนอนฟูกฟูหรูหรา เป็นการฝึกฝนตนให้รู้จักที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระได้มากขึ้นสามารถอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากเกินไปศินแปดนั้นเป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสยิ่งขึ้นไปทั้งด้านเวลาและแรงงานในการที่จะพัฒนาชีวิตทางด้านจิตใจและปัญญาพูดอีกสำนวนหนึ่งว่า เป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสในการบาเพ็ญจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาการมีสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่จัดระเบียบไว้ด้วยดีเรียกว่าศีลการจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อยรวมทั้งตัวระเบียบนั่นเองเรียกว่าวินัยข้อปฏิบัติต่างๆในการจัดสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมให้มีระเบียบ เรียกว่าสิกขาบทข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกฝนขัดเกลาพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสภาพชีวิตให้สอดคล้องเกื้อกูลต่อการปฏิบัติในแนวทางที่จะเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าวัดในที่นี้สะกดด้วยวอแวนไม่หันอากาศต่อเต่ารอเรือนะครับทั้งหมดนี้เมื่อเรียกคลุมคลุมรวมรว ม, รวมก็พูดว่าศีล สสมาธิหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงเพื่อให้เป็นจิตใจที่สามารถทำงานหรือใช้การได้ดีโดยเฉพาะในการคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือใช้ปัญญาอย่างได้ผลและเป็นจิตใจที่เอื้อเหมาะต่อการพัฒนาของคุณสมบัติต่างๆเช่นคุณธรรมทั้งหลายที่จะเจริญเพิ่มพูนพวงมาด้วยในจิตนั้น รวมทั้งการที่จิตใจที่สงบมั่นคงแน่วแน่นั้นอยู่ในภาวะที่ปลอดพ้นจากการรบกวนของความเศร้าหมองคุณมัวความเร่าร้อนสับสนวุ่นวายต่างๆแล้วจึงเป็นจิตที่ปลอดโปร่งเบาสบายเบิกบานสดชื่นผ่องใสเป็นสุขพูดสั้นๆว่าเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจทำให้บุคคลมีสมรรถภาพจิตคุณภาพจิตและสุขภาพจิต สปัญญาได้แก่การมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและการฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเช่นนั้นเริ่มแต่การรู้เข้าใจสิ่งที่เล่าเรียนสนับตรับฟังหรือข่าวสารข้อมูลต่างๆและประสบการณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและที่ปรากฏหรือสั่งสมอยู่ในใจ การรับรู้ประสบการณ์นั้นๆอย่างบริสุทธิ์ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความชอบชังยินดียินร้ายไม่เอียงเอียงด้วยอคติต่างๆการพิจารณาวินิจฉัยและคิดการต่างๆได้ถูกต้องชัดเจนโดยไม่ถูกกิเลสเช่นความเห็นแก่ได้และความเกลียดโกรธเคียดแค้นชิงชังเป็นตัวครอบงําชักจูงการมองเห็นสิ่งทั้งหลายล่วงทะลุถึงเหตุปัจจัยต่างๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสิ่งต่างๆมาใช้แก้ไขปัญหาและทำการสร้างสรรค์จัดดำเนินการต่างๆจนถึงรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิตหายติดข้องหมดความถือมั่นในสิ่งทั้งหลายซึ่งส่งผลย้อนกลับไปยังจิตใจทำให้เกิดความเป็นอิสระหลุดพ้นเป็นอยู่ด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบาเบิกบานผ่องใสอย่างแท้จริง ส่วนทานศีลภาวนาที่เรียกว่าบุญสิกขาก็มีสาระสำคัญอย่างเดียวกับไตรสิกขานี่เองดังได้อธิบายแล้วข้างตน้นทานเป็นเครื่องเสริมการอยู่ร่วมในสังคมให้เป็นไปด้วยดีมีระเบียบมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องฝึกหัดขัดเกลาทั้งพฤติกรรมภายนอกทางกายวาจา และฝึกฝนอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งขึ้นไปในคุณธรรมและความเบิกบานผ่องใสสีนก็มีสาระอย่างสีในไตรสิกานี้ส่วนภาวนาก็แยกเป็นภาวนาในด้านสมาธิและในด้านปัญญาตรงกับที่ได้บรรยายมาแล้วการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เราพูดกันมากตามที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ เป็นการจำกัดแคบในระดับภาวนาคือเป็นการปฏิบัติในระดับภาวนาและเน้นที่รูปแบบเช่นไปนั่งสมาธิเข้าไปในวัดที่วิเวกเข้าไปในปา่าก็เลยจะขอพูดเจาะจงเฉพาะระดับนี้สัทีหนึ่งก่อนว่าในแง่ที่เรานิยมปฏิบัติธรรมคือไปบำเพ็ญสมาธิเป็นต้นนี้เราจะต้องรู้จักตัวภาวนาเสียก่อนว่ามันเป็นอย่างไรภาวนานั้น จะต้องแยกจากภาวนาในภาษาไทยก่อนคือไม่ใช่เป็นเพียงว่ามามุบมิบมุบมิบต่บปากแล้วบอกว่าเป็นภาวนาหรือเอาถ้อยคำในภาษาพระเอามน์เอาคาถามาท่องมาบน่นแล้วว่าเป็นภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นสิ่งที่ยังไม่เป็นก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่มี ก็ทำให้มันมีขึ้นเรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นการปฏิบัติฝึกหัดหรือลงมือทาภาวนาจึงปลอีกความหมายหนึ่งว่าการฝึกอบรมฝึกนั้นเมื่อยังไม่เป็นก็ทาให้มันเป็นอบรมนั้นเมื่อยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นยิ่งกว่านั้นเมื่อทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาแล้ว ก็ต้องทำให้เจริญงอกงามเพิ่มพูนพรั่งพร้อมขึ้นไปด้วยจนเต็มที่ภาวนาจึงมีความหมายตรงกับคำว่าพัฒนาด้วยและจึงแปลง่ายๆว่าเจริญในภาษาไทยแต่โบราณมาก็นิยมแปลาภาวนาว่าเจริญเช่นเจริญสมาธิเรียกว่าสมาธิภาวนาเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาภาวนาเจริญวิปัสสนา เรียกว่าวิปัสนาภาวนาตกลงว่าภาวนาแปลว่าการฝึกอบรมหรือการเจริญหรือการทำให้เป็นให้มีขึ้นมาและพัฒนาให้งอกงามบริบูรณ์การภาวนาในระดับที่เราต้องการในที่นี้แยกเป็นสองอย่างคือจิตตะภาวนาการฝึกอบรมจิตใจอย่างหนึ่งและปัญญาภาวนาการฝึกอบรมปัญญาอีกอย่างหนึ่ง ถ้าใช้ตามนิยมของภาษาสมัยใหม่จเจริญแปลว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นจิตตะภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาจิตหรือพัฒนาจิตใจส่วนปัญญาภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาปัญญาจิตตะภาวนานั้นเรียกง่ายๆว่าสมถะบางทีก็เรียกว่าสมถภาวนา สมถานี้ตัวแก่นของมันแท้คือสมาธิเพราะสมถะนั้นแปลว่าความสงบตัวแก่นของความสงบ ก, ก็คือสมาธิความมีใจแน่วแน่สมถะนั้นมุ่งที่ตัวสมาธิจะว่าสมาธิเป็นสาระของสมถะก็ได้ฉะนั้นก็เลยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมาธิภาวนาคาว่าจิตตะภาวนาก็ดี สมถะภาวนาก็ดีสมาธิภาวนาก็ดีจึงใช้แทนกันได้หมดต่อไปอย่างที่สองปัญญาภาวนานั้นเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนามุ่งให้เกิดปัญญาคือปัญญาที่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายปัญญาในขั้นที่รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เรียกว่าวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้แค่ท ร, รมาหาเลี้ยงชีพได้เท่านั้นแต่รู้สภาวะรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายจึงเรียกว่าวิปัสนาซึ่งก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งนั่นหละเพราะฉะนั้นวิปัสนาภาวนาถ้าจะเรียกให้กว้างก็เป็นปัญญาภาวนาตกลงก็แยกภาวนาเป็นสองอย่าง อย่างที่หนึ่งเรียกว่าจิตตะภาวนาบ้างสมถะภาวนาบ้างสมาธิภาวนาบ้างอย่างที่สองเรียกว่าปัญญาภาวนาหรือเรียกให้แคบจำกัดลงไปว่าวิปัสนาภาวนาเอาละ่ะเรื่องภาวนาก็ทำความเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ หลักการผลสาเร็จของการปฏิบัติธรรมขั้นภาวนาทีนี้ต่อไปตัวหลักการของสมาธิอยู่ที่ไหนการบำเพ็ญเพียรทางจิตการบาเพ็ญสมถะการบำเพ็ญสมาธินั้นตัวหลักการที่แท้อยู่ที่ไหนบางท่านงงการทำสมาธิเดี๋ยวกำหนดลมหายใจเดี๋ยวไปเพ่งกระสินเดี๋ยวไปภาวนาพุโทโธ เดี๋ยวไปเจริญเมตตาเดี๋ยวเจริญพรหมวิหารอะไรกันแน่เป็นสมาธิถ้าจับหลักได้แล้วก็นิดเดียวเท่านั้นเองสมาธิไม่มีอะไรคือการที่สามารถทำให้จิตกำหนดแน่วอยู่กับสิ่งเดียวได้ตามที่ต้องการเท่านั้นเองการที่เรากำหนดลมหายใจเพื่ออะไรก็เพราะว่าใจของเรามันยังไม่แน่วแน่ยังกาหนดสิ่งเดียวไม่ได้ มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเรื่อยไปเราก็เลยพยายามหาเทคนิคหากลวิธีมาช่วยให้มันกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวให้ได้สิ่งที่เอามาช่วยนั้นเราเรียกว่ากรรมฐานเป็นเครื่องมือเป็นที่ทำงานหรือที่ฝึกงานของจิตใจกรรมฐานแปลว่าที่ทำงานหรือที่ฝึกงานของจิตเพื่อให้จิตได้รับการฝึก จนสามารถอยู่กับสิ่งเดียวได้ฝึกให้จิตทำงานเป็นรอจิตทำงานไม่ได้ดีจิตยุ่งวุ่นวายคอยจะเล่นเดี๋ยวก็ไปเที่ยวสุกสนฟงสุงซ่านจึงให้มันทำงานให้มันอยู่กับสิ่งเดียวให้ได้เอาลมหายใจมาให้มันกำหนดบ้างเอาเมตตามาให้มันกำหนดบ้างเอาอาุภระมาให้มันกำหนดบ้างเอากรสินมาให้มันเพ่งบ้าง เอามือมาเคลื่อนไหวให้มันตามให้ทันบ้างเดินจงกรมบ้างเอามาเป็นอุบายเป็นเทคนิคต่างๆแต่สิ่งที่ต้องการเมื่อเกิดผลสำเร็จแล้วมีอันเดียวคือจิตกำหนดจับอยู่กับสิ่งเดียวได้ถ้าเมื่อใดจิตกำหนดแน่วอยู่กับสิ่งเดียวได้นั้นคือสมาธิไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตามขอให้ได้ผลสาเร็จนี้ก็ใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเอาวิธีที่ท่านบอกไว้ก็ได้แต่วิธีที่ท่านบอกไว้นั้นท่านเคยได้ทดลองกันมาแล้วว่าได้ผลเป็นประสบการณ์ที่ได้บอกเล่ากันมาบันทึกกันไว้เป็นปริยัติเราก็เชื่อปริยัติในแง่ที่ว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกันอีกเป็นอันว่าหลักการของสมถะมีอันเดียว คือทำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการได้แล้วก็ตามต้องการได้ด้วยอยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการบางทีทำสําเร็จแล้วแต่ไม่ตามต้องการเช่นมันอยู่ได้สักพักเดียวก็ไปซะอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ตามต้องการถ้าจะสําเร็จจริงก็ต้องให้ได้ตามต้องการจะเอาชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมง 2ชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิจริงแ น, แน่วแน่ต้องการให้อยู่กับอะไรนานเท่าไรก็อยู่กับอันนั้นนานเท่านั้นใจไม่วอกแวกไปอื่นเลยต่อไปวิปัสสนาจะมีวิธีปฏิบัติมีเทคนิคอย่างไรก็ตามสาระหรือหลักการของมันมีอันเดียวคือการรู้เห็นตามเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้เห็นตามที่เราคิดให้มันเป็นไม่ใช่รู้เห็นตามที่อยากให้มันเป็นคนเราเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นคือรู้เห็นตามที่คิดให้มันเป็นรเร Gary, man, ียกว่าคิดปรุงแต่งไปแล้วมันก็เหมือนจะเป็นตามที่คิดอย่างนั้นเมื่อใดรู้เห็นตามที่มันเป็นของมันจริงๆก็เรียกว่าเนี่ยหละ เกิดวิปัสนาความรู้แจ้งแล้ววัตถุประสงค์ของวิปัสนาตัวหลักการที่แท้ก็เท่านี้เองคือรู้เห็นตามที่มันเป็นแต่ว่าเท่านี้แหละมันยากนักหนาเพราะว่าคนเรารู้เห็นตามที่ใจอยากให้มันเป็นหรือรู้เห็นตามที่คิดปรุงแต่งให้มันเป็นเสียมากทีนี้พอได้หลักการแล้วต่อไปเมื่อปฏิบัติได้ผลดีแล้วสมถะ ก็จะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เรียกว่าฌานกล่าวคือพอได้สมาธิลึกๆแล้วแนวแน่ขึ้นดีขึ้นตามต้องการต่อไปก็ได้ฌานฌานคือสภาพจิตที่มีสมาธิเป็นแกนประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่ดีงามอีก 2, 3, 4, สาสี่ห้าอย่างแล้วแต่ฌานขั้นไหนฌานเป็นผลที่ประสงค์สำคัญของสมถะหรือจิตตะภาวนา ฝ่ายวิปัสนาที่ว่ามีหลักการคือรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นผลที่เกิดขึ้นของมันคือยานชื่อใกล้กันมากระวังสับสนผลที่มุ่งหมายของวิปัสนาคือยานเมื่อกี้ผลที่ประสงค์ของสมถะคือฌานพอถึงผลสำเร็จของวิปัสนาเป็นยานฌานของสมถะนั้น แล้ว่าการเพ่งพินิจแน่วแน่อยู่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้แต่วิปัสสนาทำให้เกิดญาณหรือตัวความรู้หรือความอย่างรู้ญาณจึงเป็นผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนาที่พูดมาแล้วนี้เป็นผลสำเร็จทั่วไปต่อไปผลสำเร็จขั้นสุดท้ายผลสำเร็จขั้นสุดท้ายของสมถะ เมื่อทำให้จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเกิดฌานพอได้ฌานแล้วจะเกิดความสาเร็จขั้นสุดท้ายขึ้นคือจิตจะปลอดพ้นหลุดไปหมายถึงหลุดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ต้องการทั้งหมดจิตใจของคนเรานี้มีความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองมีกิเลสมีเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆมากมายพอเราทำสมาธิได้ฌานแล้วจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ ส ง, งบมันก็พ้นไปจากสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นความขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นความหลุดพ้นแต่ความหลุดพ้นนั้นเป็นไปได้ชั่วคราวตลอดเวลาที่เราอยู่ในสภาพจิตนั้นเมื่อไรเราออกจากสิ่งที่กําหนดออกจากสมาธิจิตของเราก็เข้าสภาพเดิม เราก็มีปัญหาได้อีกเราก็มีความทุกข์ได้อีกจิตใจของเราก็มีความขุ่นมัวเศร้าหมองได้อีกอันนี้จึงถือว่าเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวตอนเนี้ยจะมีความยุ่งเรื่องศัพท์นิดหน่อยสัพ์ไม่จำเป็นต้องจำแต่ถือว่าฟังไว้ระดับความรู้เรียกว่าวิคัมพนะวิมุตติวิคัมพนะวิมุตติบางทีท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมัยยวิมุตติ แปลว่าหลุดพ้นชั่วสมัยสมยะหรือสมัยแปลว่าเวลาวิมุตต์แปลว่าความหลุดพ้นพ้นจากกิเลสและความทุกข์สมยะชั่วสมัยคือชั่วเวลาได้แก่ชั่วเวลาที่เราอยู่ในสมาธิแต่สมัยหลังมักเรียกกันว่าวิคัมพนาวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นด้วยการกดทับไว้ เหมือนอย่างเอาหินไปทับหญ้าทำให้หยุดงอกงามไปพอเอาหินออกแล้วหญ้าก็กลับเจริญงอกงามต่อไปอีกเหมือนกับกิเลสและความทุกขพอได้สมาธิกิเลสและความทุกก็สงบเงียบเหมือนกับหายไปหมดไปแต่พอออกจากสมาธิกิเลสและความทุกนั้นก็เฟื่องฟูขยายตัวขึ้นมาได้อีกนี่คือผลสามรจสุดท้ายของสมาธิหรือของสมถะ คือสมยวิมุตหลุดพ้นชั่วคราวหรือวิคัมพนาวิมุตหลุดพ้นด้วยกฎทับหรือข่มไว้ส่วนวิปัสนาทำให้เกิดญาณมีความรู้จำแจ้งรู้ตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วจิตจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆเด็ดขาดไปเลยเมื่อเรารู้เข้าใจ สิ่งใดตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ขุนมัวไม่ขัดข้องเพราะสิ่งนั้นเมื่อยังไม่รู้ว่าอะไรเราก็ขัดข้องอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเรารู้เราก็หลุดเราก็พ้นได้รู้เมื่อไหร่ก็หลุดเมื่อนั้นทีนี้ความรู้เห็นตามเป็นจริงก็นำไปสู่ความหลุดพ้น เป็นอิสระอย่างชนิดเด็ดขาดสิ้นเชิงเรียกว่าอสมัยยวิมุตต์คือหลุดพ้นไม่จํากัดสมัยเรียกอีกอย่างว่าสมุติเฉทวิมุตต์คือหลุดพ้นโดยเด็ดขาดนี้เป็นการให้หลักการทั่วๆไปเป็นอันว่าภาวนามีสองทวนอีกครั้งหนึ่งคืออย่างที่หนึ่งจิตตะภาวนา หรือสมถาภาวนาหรือสมาธิภาวนามีหลักการคือการทำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่กําหนดได้ตามที่ต้องการแล้วก็ทำให้เกิดฌานทำให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ความขุ่นมัวเศร้าหมองจากกิเลสทั้งหลายได้ชั่วคราวอย่างที่สองปัญญาภาวนามุงเอาวิปัสสนาภาวนามีหลักการสาคัญที่เป็นสาระ คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือตามสภาวะของมันและททำให้เกิดยานความอย่างรู้ทำให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ความขุ่นมัวเศร้าหมองและกิเลส ท, ทั้งหลายยังไม่จำกัดการเวลายังเด็ดขาดสิ้นเชิงตลอดไป หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็เป็นอันว่าได้หลักการแล้วอัตมาพูดวันนี้เป็นการรวมหลักการคร่าวๆเท่านั้นเองไม่ได้เข้าเนื้อในลึกซึง้งต่อไปนี้ก็จะพูดถึงตัวข้อธรรมในการปฏิบัติไว้บ้างข้อธรรมในการปฏิบัตินี้จะเสนอไว้อย่างกว้างๆให้เห็นหลักในการปฏิบัติธรรมแบบคลุมทุกระดับ หนึ่งหลักการปฏิบัติทั่วไปตลอดสายแบบคร่าวๆชุดหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้แนะนำทำกันให้มากก็คือหลักมงคล38สิบประการหลักนี้มีข้อปฏิบัติตั้งแต่ต้นไปตลอดบอกวิธีดำเนินชีวิตตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสูงสุดเริ่มตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังปันดิตา น, นจะเสวนาไม่คบพานคบบัณฑิต ก็คือเริ่มด้วยการมีกัลยาณมิตรเข้าหลักเมื่อกี้นี้ทีเดียวพระพุทธเจ้าส่งเอามาประยุกต์แล้วเริ่มด้วยกัลยาณมิตรซึ่งเป็นบุพนิมิตรของการศึกษาข้อต้นปูชาจะปูชนียานังบูชาคนที่ควรบูชานี่คือให้มีทัศนคติและค่านิยมถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลให้ยกย่องบุคคลด้วยความดีความงามไม่ใช่ยกย่องในทางผิด เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องทำให้มีทิฏฐิที่ถูกต้องข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะมีไปตามลำดับจนถึง38ประการตอนเท้ท้ายก็จะมีอริยสัจจานะทัศนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจชิกิริยาจักการทำนิพพานให้แจ้งจนกระทั่งท้ายสุดจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว เป็นจิตไร้ความโศกไม่มีทุลีไม่ขุนมัวไม่เศร้ามองเป็นจิตเกษมก็จบลงที่จิตปลอดโปร่งพ่องใสไม่มีความทุกข์ด้วยประการใดๆทั้งสิน้นมงคล38ประการนี้มีตั้งแต่ต้นจนสูงสุดจึงว่าเป็นหลักปฏิบัติธรรมหมวดหนึ่งที่มีข้อปฏิบัติตลอดสายแบบคร่าวๆต่อไปสอง หลักปฏิบัติในระดับสมถะราวนี้ต้องการเน้นเฉพาะจุดเมื่อกี้นี้มงคล38ประการเป็นหลักที่ขยายส่วนล่างคือธรรมะในส่วนต้นๆมีการขยายพิสดารหน่อยแต่พอขึ้นมาถึงระดับสูงๆแล้วพูดแต่หัวข้ อ, อนิดๆทีนี้พอเราต้องการเจาะในการปฏิบัติธรรมขั้นจิตตภาวนาหรือสมถะ ท่านก็ให้หลักไว้มากมายเรียกว่ากรรมฐานส0คือเทคนิค40สอย่างเช่นอนุสติสิบมีการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์ระลึกถึงจาคะจนกระทั่งถึงกําหนดลมหายใจแล้วยังมีการเพ่งกะสินการบำเพ็ญอัปามัญญาโภ ม, มิหารการเจริญอสุภะอะไรต่างๆเหล่านี้ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของระดับสมถะมีกรรมฐาน40เป็นการลงลึกไปในระดับจิตตะภาวนา 3. หลักปฏิบัติระดับวิปัสนาเนื้อหาสาระที่สำคัญท่านเรียกว่าธรรมะที่เป็นภูมิของวิปัสนาคือวิปัสนาภูมิตอนนี้ยากหน่อยแล้วปังหัวข้อไว้เฉย อตมายกเอามาพูดให้ครบไว้เท่านั้นเองไม่ต้องถือเป็นสำคัญนักวิปัสสนาภูมินั้นก็มีเรื่องขัน5เรื่องอายตนะ12ซึ่งสองเรื่องนี้ทราบกันดีอยู่บ้างต่อไปเรื่องท่า18อินทรีย์22 2เรื่องนี้ไม่คุ้นหูต่อไปเรื่องอริยสัจว์4ก็คุ้นหน่อยแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาท ทั้งหมดนี้เป็นภูมิของวิปัสสนาเมื่อเราเรียนธรรมะในพวกนี้ก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับวิปัสสนาหลักธรรมสำคัญมากที่จะเข้ามาสู่การพิจารณาศึกษาในขั้นนี้ก็คือเรื่องไตรลักษณ์เมื่อปฏิบัติธรร ม, มตามแนววิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นไตรลักษณ์เช่นพิจารณาคันห้าไปก็จะเห็นไตรลักษณ์ตลอดจนถึงข้อสุดท้าย พิจารณาในหลักปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเพราะปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือหลักแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือขันห้านั่นเองแม้แต่หลักธรรมอื่นๆที่กล่าวถึงมาแล้วเช่นอายตนะ12ก็เป็นแง่ด้านต่างๆของเรื่องเดียวกันนี้เองอยู่ในกระบวนการของความเป็นเหตุปัจจัยนี้ หรือไม่บางอย่างก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในกระบวนการความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นก็ปรากฏเป็นการเปลี่ยนแปลงทำให้มองเห็นการที่องค์ประกอบทั้งหลายมารวมกันเข้าประชุมกันเข้าเป็นองค์รวมอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมมุติเรียกว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ละส่วนนั้นไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลา คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเข้าใจชัดเจนเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ก็จะรู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเกิดความสว่างสวยัยสงบหลอดโปร่งพองใสเบาสบายหายยึดติด ถ, ถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมีจิตใจที่หลุดพ้นเป็นอิสระเป็นสุขอย่างแท้จริง การเป็นอยู่ท่าทีต่อโลกและชีวิตและการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปด้วยปัญญาไม่ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำและแรงผลักดันของอวิชชาและตันหาอุปาทานอีกต่อไปเรียกว่าบรรลุผลที่หมายของวิปัสสนาซึ่งก็คือจุดหมายของการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมขั้นสุดท้ายนั่นเองในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้มีตัวธรรมะ ที่เป็นผู้ทำงานซึ่งอาจจะใช้ศัพท์เรียกว่าเป็นคณะทำงานในการปฏิบัติธรรมก็ได้เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37ประการชุดนี้เป็นตัวทำงานเรื่องต่างๆที่พูดมาก่อนนี้เป็นตัวถูกกระทำเช่นกรรมฐานสี่สิบนั้นจะเป็นลมหายใจหรืออาสุพะหรือกสินหรืออะไรก็ตาม เป็นตัวถูกกระทาเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้กำหนดพิจารณาหรือวิปัสนาภูมิเช่นขันหก็เป็นตัวถูกกระทำถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกันเป็นอันว่าตัวการปฏิบัติเองก็คือโพธิปัขิยธรรม37ประการซึ่งถ้าพูดขึ้นมาแล้วหลายอย่างก็อาจจะคุ้นหูกันพอสมควร ในที่นี้จะไม่พูดรายละเอียดเพราะจะยืดยาวไปกันใหญ่แต่จะแนะนำให้รู้จักไว้เท่านั้นท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดก็ขอให้ไปค้นคนว้าต่อโพธิปัจกียะธรรมแปลว่าธรรมะที่อยู่ในฝ่ายของโพธิพูดง่ายๆว่าธรรมะที่เป็นพวกของโพธิ คือเกื้อหนุนการตรัสรู้หรือช่วยสนับสนุนอริยมรรคมี37อย่างจัดเป็น7หมวดคือ 1. สติปทานสี่แปลว่าการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามเป็นจริงคือตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันไม่ใช่ตามความคิดปรุงแต่งของเราที่คิดให้มันเป็นหรืออยากให้มันเป็น หลักสติปฐานนี้ก็คือการเอาสติมาเป็นตัวนำเป็นตัวเด่นเป็นตัวทำงานโดยกํากับจิตตั้งต้นแต่การรับรู้ให้อยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่จริงในขณะนั้นๆที่เรียกว่าอยู่กับขณะปัจจุบันไม่เลื่อนไหลล่องลอยไปในอดีตและอนาคตที่เป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่งและให้สตินั้น เป็นตัวสร้างโอกาสแก่ปัญญาโดยจับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินในขณะนั้นๆให้ปัญญารู้เข้าใจตรงไปตรงมาสติปัฏฐานทำงานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตของเราตลอดเวลานี่เองท่านจึงจัดแยกสติปัฏฐานออกตามประเภทของสิ่งที่ชีวิตของเราเกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นสี่ข้อคือ กายานุปัสนาสติปัฏฐานใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพทางร่างกายเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพจิตใจ ทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันเรื่องราวทั้งหลายที่รู้ที่คิดที่เกิดขึ้นในใจโพธิปัจกิยธรรมหมวดที่สองประทานสประทานหรือประธานะแปลว่าความเพียรการตั้งความเพียร หรือการประกอบความเพียรหลักนี้ไม่ค่อยคุ้นท่านที่ต้องการจะเรียนและปฏิบัติให้ลึกซึ้งสามารถเริ่มต้นจากหลักการที่กล่าวในที่นี้แล้วไปค้นคว้าวรายละเอียดต่อไปหมวดที่สองคือประธานสีหมายถึงความเพียรสี่ประการได้แก่สังวรประทานความเพียรในการที่จะระวังหรือปิดกั้นอกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นปหาณาประธานความเพียรในการละเลิกกําจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นหายไป 3. ภาวนาประทานความเพียรในการฝึกอบรมทํากุศลธรรมหรือธรรมะที่ดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและสี่ อนุรักษณาประทานความเพียรในการรักษาส่งเสริมกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพยบู์โพธิปักกิยธรรมหมวดที่สอิตทิบาสี 4. คือธรรมะให้ถึงความสำเร็จหรือทางแห่งความสำเร็จหลักนี้รู้จักกันหมดแล้ว ต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติด้วยอย่าลืมอิทธิบาสีเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เกิดสมาธิกล่าวคือฉันทะความพอใจมีใจรักถ้าเราชอบหรือพอใจในสิ่งใดแล้วเมื่อทําสิ่งนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายวิริยะความภาคเพียนภาคเพียรทําถ้าเราเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่ท้าทายมีใจสู้ เมื่อทำสิ่งนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายจิตตาความใ่ใจเอาจิตฝักไฟถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งใดสำคัญเราจะต้องรับผิดชอบเอาใจจดจ่ออยู่เมื่อทำสิ่งนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายวิมังสาความใกล้ครวนใช้ปัญญาสอบสวน ถ้าเราต้องการทดลองอะไรใจชอบตรวจสอบมันอยู่เมื่อทำสิ่งนั้นก็เกิดสมาธิได้ง่ายโอทิปัคขิยธรรมหมวดที่สอินทรีห้าแปลว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ในการทำหน้าที่เฉพาะแต่ละอย่างหรือธรรมะที่เป็นเจ้าการในการข่มกำรับอกุศลธรรม ที่ตรงข้ามกับตนหลักนี้หลายท่านเคยได้ยินแต่หลายท่านก็ยังไม่เคยได้ยินเช่นในคำพูดที่ว่าต้องมีอินทรีย์สม่ำเสมอกันต้องปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอคนนี้มีอินทรีย์อ่อนคนนี้มีอินทรีย์แก่กล้าดังนี้เป็นตน้นอินทรีย์ห้านั้นได้แก่ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญา เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันข้อหนึ่งศรัทธาคือความเชื่อความที่จิตใจพุ่งแล่นไปหาและคล้อยไปตามเข้าคู่กับข้อ5ปัญญาความพิจารณาไตรตรองมองหาความจริงให้รู้เข้าใจเข้าถึงสภาวะถ้าศรัทธาแรงไปก็น้อมไปในทางที่จะเชื่อง่ายยอมรับง่ายเชื่อดิ่งไป ตลอดจนงมงายถ้าเอาแต่ปัญญาก็โน้มไปทางที่จะคิดมากสงสัยเกินเหตุหรือด่วนปฏิเสธฟุ้งไปเรื่อยไม่จับอะไรลงลึกท่านจึงให้ปรับศรัทธากับปัญญาให้สม่ำเสมอสมดุลกันข้อ2วิริยะคือความเพียรมีใจสู้มุ่งหน้าจะทำให้ก้าวหน้าเรื่อยไป เข้าคู่กับสี่สมาธิคือความสงบของจิตใจที่แน่วแน่อยู่ที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกอารมณ์ต่างๆรบกวนถ้าวิริยะแรงไปก็จะเครียดและฟุ้งซ่านโน้มไปทางล้มเลยเขตถ้าเอาแต่สมาธิก็จะสงบสบายจวนให้ติดในความสุขจากความสงบนั้นตลอดจนกลายเป็นเกียรคร้านเฉยชาปลีกตัวออกหาความสบาย ลอยปละละเลยหรือไม่เผชิญภาระท่านจึงให้เสริมสร้างวิริยะและสมาธิอย่างสม่ำเสมอสมดุลกันเพื่อจะได้ประครับประคองกันไปและเป็นเครื่องอุดหนุนกันให้ก้าวหน้าไปในทางปฏิบัติส่วนข้อสสตินั้นเป็นตัวคุมตัวเตือนต้องใช้ในทุกกรณีเช่นเป็นเหมือนยามที่คอยบอกว่า เวลานี้ศรัทธาจะแรงไปแล้วปัญญาจะหย่อนไปแล้วเวลานี้ควรเร่งวิริยะขึ้นมาและทาท่าจะติดในสุขจากสมาธิเสแล้วดังนี้เป็นต้นโพธิปักิยธรรมหมวดที่ห้าภละห้าธรรมะที่เป็นกำลังในการต้านทานไม่ให้อกุศลธรรมเข้าครอบงำ ก็ได้แก่อินทรีห้านั่นแหละแต่มาทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับเรียกว่าพละห้าหมายความว่าธรรมะห้าอย่างนี้เมื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายรุกไปแก้ไขกาจัดอกุศลธรรมเรียกว่าอินทรีห้าแต่ถ้าทำหน้าที่ฝ่ายรับต้านทานอากุศลธรรมไม่ให้บุกเข้ามาทำลายได้ก็เรียกว่าเป็นพละห้า โพธิปัจิยธรรมหมวดที่6โพชงเจ็ดแล้วว่าองค์ของผู้ตรัสรู้หรือองค์ประกอบของการตรัสรู้เป็นกลุ่มธรรมะสำคัญในการทำงานให้เกิดโพธิคือปัญญาตรัสรู้ซึ่งทำให้ทั้งรู้ทั้งตื่นและทั้งเบิกบานได้แก่หนึ่งสติความระลึกได้เป็นตัวที่จับไว้ หรือรวบรวมเอามาซึ่งสิ่งที่ควรรู้เข้าใจมานำเสนอให้ปัญญาตรวจรองพิจารณาอย่างถนัดชัดเจน 2. ธรรมะวิจัยความเฟ้นธรรมหมายถึงการใช้ปัญญาสอบสวนพิจารณาสิ่งที่สติกำหนดไว้หรือนำเสนอนั้นให้รู้เข้าใจเห็นสาระเห็นความจริง 3. วิริยะความเพียรคือความกล้ากล้ากระตือรือร้นรุดหน้าต่อไปในการทำงานให้จิตใจไม่หดหู่ทอดถอยหรือท้อแท้ 4. ปีติความอิ่มใจคือปลาบลืมดื่มด่ทซาบซึ้งฟูใจที่เป็นไปพร้อมกับ ก, บการทำงานก้าวรุดหน้าต่อไป 5. ปัสสธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจเป็นความเรียบเย็นไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายเบาสบายซึ่งสืบเนื่องจากปีติและเป็นองค์ธรรมสำคัญในการรักษาสุขภาพจิตความเพียรพยายามทำงานการที่พ่วงมาด้วยปัสสติจะไม่ทำให้คนเป็นโรคจิตอย่างที่เป็นกันมากในหมู่คนทำงานในยุค ป, ปัจจุบัน 6. สมาธิความมีใจตั้งมั่นคือจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กำหนดเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับเิตอยู่กับเรื่องที่พิจารณาไม่วอกแวกฟุ้งซ่าน 7. อุเบกขาความวางทีเฉยดูหมายถึงความมีใจเป็นกลางจิตใจเรียบสม่ำเสมอนิ่งดูไปอย่างพร้อมสบาย ในขณะที่จิตปัญญาทางานก้าวหน้าไปเรียบรื่นตามกระบวนการของมันโพธิปัคคิยธรรมหมวดที่7สุดท้ายก็คือตัวมัส ม, มีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะ ทำการชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตมั่นชอบว่าที่จริงโพธิปักิยธรรมก็ขยายจากมากมีองค์8นั่นแหละหลักสุดท้ายนี้จึงเป็นตัวรวมแต่ขยายออกไปเพื่อให้เห็น เหมือนประชาชนซึ่งทำหน้าที่ต่างๆกันเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นแพทย์เป็นครูอาจารย์เป็นพระเป็นอะไรต่างๆมากมายเมื่อพูดถึงโพธิปัจกียธรรมแล้วก็เรียกว่าจบเพราะโพธิปัจกียธรรมเป็นตัวการปฏิบัติหรือเป็นคณะทำงานเมื่อคณะทำงานในการปฏิบัติธรรมมาถึงแล้วก็ยกให้เป็นหน้าที่ของคณะทำงานนั้น ทำหน้าที่ของเขาต่อไปอตมามาทาหน้าที่เป็นผู้แนะนำตัวเมื่อได้แนะนำตัวจนกระทั่งท่านทั้งหลายได้รู้จักคณะทำงานแล้วว่ามีใครบ้างได้แก่โพธิปัจกิยธรรม37ตัวเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วก็จึงเป็นอันว่าจบต่อจากนี้ก็ขอให้ท่านไปทําความรู้จักกับคณะทำงาน เมื่อรู้จักกับคณะทำงานแล้วก็ขอให้ไปร่วมมือกับคณะทำงานนั้นหรือใช้คณะทำงานนั้นทำงานคือการปฏิบัติธรรมต่อไปหน้าที่ของอัตมา ก, ก็จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านและเจริญพร ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้นะครับครอบครัวนิติสรวุธจิรันธ น, นินกองวงวัฒนาชัยจำรูนพันธุ์คุณแม่จําเนียนชัยจำรูนพันุค์ค ร, รอบครัวพระวังสวัสดิ์ร ส, สกรกุลเพิ่มทวีรัตอินโยสุทธหลวงพิชชาวดีเจริญวาสนาดํารงคุณแม่ทมเจริญสรพพพืชครอบครัวเทพรักโดยคุณพ่อคูณคุณแม่บุญและประเทืองเทพรัก ร่วมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อได้ในส่วนของรายละเอียดในทุกช่องทางที่จํมรลมผลดีเผยแพร่นะครับและขออนุมโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามและทุกท่านที่สนับสนุนทุกช่องทางของจมรลมผลดีตลอดมาขอกุศล น, นี้ส่งให้ทุกท่านพ้นทุกโศกโรคภัยจเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปบรรลุธรรมในเร็ววันนี้ด้วยเทินการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาอริยคุณพุทธธรรม ชมรมผลดีกันยายนพุทธศักราช2564